ก็เป็นสิ่งที่ดีที่พวกเรามีใจฝ่าธรรมยินดีในธรรมเพราะพระเจ้าสงสารว่าการยินดีในในธรรมนี่คือละการยินดีทั้งปวงเพราะว่าไม่มีอะไรจะมีคุณค่ากว่าธรรมธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับ <c oughs> เออ ปัจจัยที่จะที่จะกลายใจของเราจะมีผลให้เป็นอริยบุคคลที่เหลอให้รู้พ้นจากการโยม า, กการถถ้าไม่อีูพระพุะทธเจ้ามาปรารถนามาสังสอนสัางสอนทำให้แก่สัโลกโอกาสที่ใจของเราจะ เปลนจากสื่อช น, อ น, อนอคนอาเละบุคคลนี้แากจะมีน้อยมากหรือไม่มีเลยก็ได้สำหรับคนสื่ชน ท, ทั่วไป <c oughs> เราต้องมีความยินดีเพราะถ้าเรามีความยินดีแล้วเราก็จะมีความอุตส า, าหะความภาคภูมิเราก็จะมีใจ ส, สดชื่อเราจิตของเราก็จะคิดแต่ เรื่องของธรรมเหนื่อยกับเวลาเราชอบอะไรสักอย่างชอบคนใดสักคนนี้ใจของเราจะจะจ่อคิดแต่ถึงคนนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วยืนดูที่จะทําอะไรเพื่อให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนนั้นเสมอเห็นใจที่สํำคัญในเบื้องต้นก็คือต้องมียนันทะในความพอใจในความยินดี ที่เราจะจดความยินดีได้เราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เรายินดีนั้นมีคุณค่ามากน้อยเพียงไรเราก็ต้องเข้าหาผู้ที่มีธรรมะเพราะผู้ที่มีธรรมะเขาจะรู้คุณค่าของธรรมะเขาจะคอยยกย่องเช่อชูออโฆษณาคุณค่าของธรรมะ แล้วเวลาที่เราได้ยินแล้วเราก็จะได้เห็นคุณค่าของธรรมก็จะทำให้เราเกิดความยินดีที่อยากจะได้ธรรมมาเป็นของเราเหมือ น, นกับตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเราก็ไม่รู้คุณค่าของเพชรว่ามีคุณค่าอย่างไรพอผู้ใหญ่ที่เขารู้คุณค่าของเพชรเขาสอ น, นเขาบอกเราว่า มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นล้วเราเห็นตัวอย่างเราก็เลยเกิดความยินดีที่อยากจะมีเพชถ้าได้พเพ็นิดใหญ่อย่าไหรยินดีอ่เราก็ต้องเข้าหาผู้รู้เข้าหาผู้ที่มีธรรมเข้าหาพระปจิปันโน เรายังไม่สามารถหาถ้าที่เป็นสุคตินโได้ถ้ามีหางเสื่ดีๆบุต์ของพระก็ได้ของพระสุปติพนโก็ได้หรือยังเฉยที่ขัตก็าจาระตัณฑ์ติดโกรกก็ไดรนห้เป็นว้ถีทาง พ่อมันใช้้สัญญาณรายเหียดเหมือนกันใช่ครับราม่ลัวที่ว่าแกอไม่กลัวนอมันอยู่อ๋อไม่กัวไมกลัวน่าันนี้ก็เป็นเรื่องแปลก ตอนเช้าก็กไม่ใช่ตอนไลน์นี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอเครื่องใช้ทางของเครื่องเสียงอะไก็มองว่ามันเป็นปกว่าในเที่ยงแล้วกัน <c oughs> เราก็ต้องจับตัวปรับใจเราถึงถ้า <c oughs> มันเป็นปนัญหาเราก็ต้องแก้ไป แต่ด้านกแก้ต่างๆเานั้นก็ต้องอย่างรับกับสภาพที่มนไม่ไดีเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรทีแรกขอเราจะมีอุปสรรคหรปัญหาให้เราคอยแก้อยู่เนี่ยแต่อุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามาให้เราแก้นี่มันไม่ได้ใหญ่เท่ากับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นตามมากับอุปสรรค มันมีปัญหาอีก่สองตัวอาศัยตัวหนึ่งอาศัปัญหาภายนอกก็มีปัญหาภายนอกแล้วมันก็เกิดปัญหาภายในขึ้นมาอีกตัวหนึน่งด้วยใจของเราเกิดความทุกขไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าใจเรามี ส, ต, ม ส, ต, มสติมีปัญญารู้ทันปัญหาของใจ เวลามีปัญอาทายล่อเกิดขึ้นมันก็ไม่มีปัญหาภายในกเกิดขึ้นแล้วเวาเคยเราเคยทำอะไรรูม้มีอะไรเราเราไม่สามารถทำหรือมีสิ่งที่เรายึดได้ถ้าใจเราไม่รู้จักกลับตัวคือรม่รู้ว่าความจริงนั้นกี่งหรือไม่ เราเคยทําอะไรตอนนี้เราทําไม่ได้แต่เรายังอยากจะทำอีกให้ตัวอย่างนี่แหละเป็นเป็นตัวปัญหาเกิดขึ้นแล้วเมื่อ เ, เกิดฝนตกเกิน้ำท่วมออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วเราเคยออกทุกวันแล้วเราก็ยังอยากจะออกอีกก็นังงางกังวลกวาดกวาดรอให้อยากจะฝนหยุดเร็วๆ นิ่อยาแต่ผลมันก็ไม่ได้สนใจแับความอยากนะครับผลมันก็ตอบใครเรื่อยๆเราก็จะตอบไปไม่สบายไม่สบายใจถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนใจเชื่อว่าเราไม่ผวรสอบแล้วตอบไปไ น, น่ได้ตอบไปก็าจะเป็นอันตายจะเป็นี่ย เราต้องทันใจยองกับความจริงเมื่อ mm. เคยออกไปได้ทุควันทุกวักนแต่เันไม่ออกไปไม่ได้นะ mm. ก็ยอมรับความจริงปัญหาภายในใจก็จำได้หมด mm. การยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นวิธีที่จะแก้ขััญหาภายในใจของเราได้ตลอด แต่บางทีเราไม่มีปฏิปัญญาพอเราไม่ได้มองปัญหาที่ใจเราจะมุ่เราไปมองปัญหาที่ภายนอกและจะพยายามแก้ทุกวิถีทางถ้าแก้ไนได้เรา ม, มันก็หายจปไมีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้ มันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาในใจของเราด้วยเพราะใจของเราอยากจะแก้อยากจะให้มันหายแตถ้าเราลองแก้ไปแล้วแล้วคิดว่ามันนุดที่ตายไม่มีทางที่จะแก้ได้เรายอมรับารที่ปัญหาาในใจก็จะไเกิดขึ้น เป็เวลาที่เกยบไขได้ปวดแล้วก็พยายามรักษายอย่างเต็มที่แต่ยังก้าไม่หายเราก็ต้องยายมรั ก, กสกภาพนกกถ้ายอมรับได้สภาพปัญหาที่อีกแทนเรื่อ ก, ก็จะไม่รับกองยังก็ไม่เสมอ เมื่องจับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถนึงแม้นามกายจะเป็นลปอลไรก็ตามกายก็จะเป็นปกติเหมือนตอมที่ร่างการเป็นปกติมีเพียงเรื่องของธรรมมีคุณประโยชน์กับกับิใจของเราเพราะจะสามารถรักษาใจของเราให้อีและตามธรรม่าต เราป็นต้องมนความดีดีกับการปฏิบัติธรรมกับการศึกษาธรรมเพราะจะเนวิธีที่จะนําธรรมะเข้ามาสึกษานของเรามาดูแลรักษาใขอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี้อยังไม่เป็นธรรมะที่แท้จริงสำห ร, รับเรา ถึง้จะเป็นธรรมะที่ใช้เก่งสำหรับพระพุทธเจ้ารประเดี๋ยวสำหรับพระอริยสงสารทั้งหลาระเดแต่สำหรับพวกเรานี้ยมันยังไม่ได้เข้ามาในใ จ, ใจเราหรือเข้ามาแล้วมันยังไม่มันยังไม่มันยังไ ม, ม, งไม่สร้างอยู่ตลอดเวลามันเข้ามาแล้วสักระยะหนึ่งมันกจ็จากหายไป ก็ใจของเรานั้ยเอาเอาสิ่งอื่นมาเกล็ดธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังพอเราไปคิดเรื่องอื่นไปทำงานทำการต้องใช้ความคิดสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมามันก็จะถูกความคิดเหล่านี้เกลดเกลื่อนไปมันหายไปจนเหมือนกับว่าไม่มี ไม่มีอยู่ในใจเลยพอเกิดปัญหาขึ้นมาธรรมะนี้ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาหรือกุ้มครองใจของเราไม่ให้ทุกข์ทุวายได้เป็นหน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้มีธรรมะอยู่ในใจของเราตลอดเวลาจนเป็น เป็นเป็นนิสัยคือจะคิดอะไรน่าจะคิดด้วยธรรมะตอนนี้นสยัยของเรานี่จะคิดด้วยโงหะอวิชชาคิดด้วยความเหมนื่อพอคิดด้วยความหนืห่อยแล้วเรากจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาให้ก่อเราก็จะมีความอยากต่างๆซึ่งมกักจะ สวนทางกับความจริงเราอยากจะอยากจะอยู่ไป น, นานๆอยากจะมีสุขภาพที่มสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บคข้ได้ดีแบบนี้มันก็ไม่ไม่ตรงกับความสุิงเพราะร่างกายของเรานองมันก็มีอายุนนขัยของเราเขาก็ดีได้ ในระยะเวลานี่เขาก็ต้องมีการเจิบข้างได้ปวดเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรานำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยเติมนใจเราอยู่เรื่อยๆจนฝังอยู่ใจเหมือนกับการท่องสูตรคหรือท่องกอ่อการขอถ่ายถ้าเราสามารถท่องกอ่อการขอถ่ายได้ อยู่ในใจเราตลอดเวลาแล้วเวลาเราเห็นตัวอักษรเราจะรู้ทันทีว่าเป็นตัวอะไรและถ้าเราจดจาวิธีสะกดวิธีอ่านของตัวอักษรและความหมายของตัวอักษรเห่า น, นั้นเวลาที่เราเห็นตัวอักษรในหนังสือนี้เราก็จะเข้าใจความหมายทันทีเลยไม่ต้องมานั่งสะกด มานเรมั่งคิดว่าคำไม้มีความหมายว่าอย่างไรเพราะว่ามันถูกฝังไว้อยู่ในใจของเรานละ้พอสัมผัสด้วยตาปั๊บก็จะลุกขึ้นมาในใจทันทีดังนั้นธรรมะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้เอาธรรมะเข้าสู่ใจเหมือนกับที่เราเอา ก่อการขอไทยนหรือสุดคือเข้ามาเป็นอจารย์ของเราอเวลาที่เราต้องใช้ธรรมะก็เลยไม่มีธรรมะให้เราใช้มีแต่โลหะอวิชชาที่สร้างความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็สร้างความทุกข์ตามมาให้กับเราดันั้นเราจึงควรที่มีจะ อตลอดเวลาอันมีค่าของวันุษย์ต่อการเอาธรรมะเข้าสื่อใจเราถ้าเราทําอย่างเป็เรย่กันมันก็ไม่ต่างจากการยนืนหรือป้องกันครับที่พวกเราอ่านออกเสียงได้ทุกวันนี้ครัเพราะว่าเราทุ่มเทเวลาให้กับการยืถึงต้องปีง๋ปี๋คการปล่อยหยุดถึง ถึงชั้นม .6 เมื่อ92ปีทรับนเรียนมมหาวิทยาลัยอีก4ปี96ปีถ้าไม่นับถึงอนุบาลอีก3ปีแล้วก็ก่อนอนุบาลอีกปี2ปีเนี่ยเราก็ใช้เวลากับการเรียนทางโลกมาอย่างน้อยเกือบ20ปีถ้าเราเทุ่มใจเวลาให้กับการเรียนธรรมะสัก20ปีไม่มีทางาที่จะไม่นุตรผล พระวุฒิจ้าท่านการตัวนัว่นไม่เกินเจ็ดปีมันไม่ต่างกันเลยมันถึงไม่แตกสมัยพระพุทธการที่พงะวุฒิเจ้าเอาเอาลูกชายของท่านเดอดร้อลก่อนที่ท่านเสด็จกลับไปตกพระราชวงแล้วเขาก็เอาลูปชายพ่ะนาระนา์า กาภรรยาของพระเจ้าก็าเอาอูชายมามนาะขอให้ไปขอมาแบจากพระเจ้าเพราะะจ้าัานก็ไม่มีอะไรได้กมีต้องทา ม, มาเป็นมาได้ก็เลไบอกให้หาหอถึงหรือพรนะพระไหนก็ตามเอาเอาเอาเด็กชายตรงนี้เป็นหัวหน้าเพรงนั้นคงจะยึดมาได้เจ็บหลาย้าน แล้วก็หัวแล้วก็ไม่เจ็บเรียนนะพอพอเรียนจบแล้วถ้าบรรณุนั้นมันก็ไม่รู้จะเสด็จหาอนะไราที่เสดยจไพระมันยังไม่จบโม <Yeah. S 1> ที่เยียนจบแล้วเข้ามาจะไม่เส็จกันเพราะมันไม่มีความอยากเอยู mm ่ในใจตรงที่เสด็จยังมีความอยากออยากาับเรื่องต่างๆทางรลกอยู่ง่งยังมีการรักกันหานะความอยากในรูปเสียงเป็นรสอยู คือ ท, ทำอยากดีอยากเป็นอยากเป็นสามีอยากเป็นภรรยาอยากเป็นเจ้าหน้าอยากเป็นอยากเป็นตรงตรงนี้ก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้อย่างเป็นไปปัจจุบันนี้นในอดีตที่ไม่ได้ไม่ไกลมาที่ก็ระบวดกันประมาณสาสี่เดือนเป็นธรรมเนียมเอง ชายชาวไทยอายุ20ก็เกิดทันหนึ่งพันาพอออกมารัิบกติแล้วก็ลาสุาดท้ายแต่สมัยนี้รู้แตกว่าวงบทชสามสี่เนนี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยจะมีพวกสุดห้าวันเจ็ดวันจะมีมากขึ้นไปวันนี้บวชแล้วมันยังไม่ทันได้เรียนยังไม่ได้ทันได้ปฏิบัตินะ แค่ก็คนะ่ต่ำนะเพราะกาเนวิธีห่มจีวร น, นี่จากวิธีประพติปฏิบัติตอนแบบเป็นพระนี่นันก็หมดเวลาแล้วห้สิดืได้เท่านั้นยังไม่ได้ธรรมะได้ถึงขัง้นสี่ได้จากที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือหมายความว่า การเรียนทางทางธรรมกละการเรียนทางโลกก็ไม่ต่างกันอย่างหถึงที่ต้องมีก็คือเวลาถ้าเราเรียนอย่างทลกเรียนธรรมะแบบนี้นแบบทางโลกทุกคนทุกคนต้องบรรลุอย่างน้อยก็ขันนข้นแบบขั้นหนึ่งแต่น่าเสียดายที่ไม่มีไม่มีผู้ที่มีลทางมากพอ แล้วก็ไม่มีคิบาอาจารย์ที่จะมาทำสองทำให้มากกว่ามันก็เลยไม่มีการบรนทึกทำเพราะฉะนั้นขอให้เราคิดดูให้ดีว่าอะไรจะมีคุณท่ากว่าการหลุดพ้นจากความเจ หรือการติดอยู่กับความทุกข์บนกองสุขนี่แหละบนกองสุขของราบยุทธสันตเสริญของของรูปเสียงกิรนตปุถะมันก็เป็นความสุกขอย่างนีน้แต่มันเป็นความสุกขที่ทุกเขาไปกับความทุกข์หรือเป็นความสุดที่มีความทุกข์เป็นตัว ตัวตามมาทีหลังนือเราจะเอาความฝุกแบบที่มีความทุกข์ในเรื่องต้นทุกข์ที่เกิดจากการต่อสู้กับความอยากต่างๆทุกอย่าง ก, การที่จะต้องกับความสุขต่างๆที่เราเคยมี เพื pues like of of ่อความสุขที่ดีกว่าเพื่อความสุขที่ถาวรเพื่อความสุขที่ไม่มีความสุขตก็มีทางเลือกของทางเย่างที่เราเห็นกันอยู่ทางโลกกับทางธรรมถ้าเรายังเสียดายทางโลกอยู่แล้วให้เวลากับทางทางนี้ไม่มากเท่าที่ควร เราก็จะไม่ได้เท่าที่ควรหรือไม่ได้ได้ผที่จะคล้ายๆเหมือนกับว่าการันตีว่าเราจะไม่มีทางที่จะเสื่อมลงไปได้คือต้องการท่านท่านมักผลเขาเ้าไปถ้ายังไม่ได้เข้าสิงท่นมักผลไปก็จะโซโดาปฏินักโซดาปฏิทุ ขึนไน่จิตของเราถึงแม้จะได้บำเพ็ญบุญกุศลมามากน้อยเปลี่ยนสักการบุญกุศลต่างๆเหล่านั้นก็ยังมีอยูก็ยังจะเสื่อมไปได้จิตของเราจ ะ, จะขึ้นลงนอย่างเวียนว่าตาเกิดอยู่ในพบน้อยพบแหล่อยพบที่สูและพบที่ต่งอยู่ แต่ถ้าเราได้ท่านโสดาปิมัค์โสดาปิภิแลยาการที่จะไปเกิดนายบาลนี้ก็ถูกตัดอากไปได้พกชาติที่เยื่ว่าตายเกิดแบบไม่มีจำนวนจำกัดก็จะถูกลดเหลือเพียงเจ็บชาติเป็นอย่างมากครับมาเกิดในในของมนุษย์นี้ไม่เกินเจ็บชาติ ก็จะได้บรรลุถึงพระอัิยเจ้าแล้วถ้าปัจจุบันได้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งขังน้นสฏิราข้ามม mm hmm. ก็จะตัดทุกชาติลงเหลือ mm hmm. เพีย่ยนชาติเดียวและกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวก็วจะบรรลุอย่างน้อยก็ได้เป็นพระอนาคามิ เพราะเมื่อจะเป็นพระอนาคามีแล้วถ้ายังไม่ได้บรรล้เป็นพระอารามีกจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะจิตของพระอนาคามีอยู่ในระดับของคนบมนโลกก็จะสามารถปฏิบัติให้ถูกคนจากคทุกข์ทั้งหลายในขณะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมมารโลกได้โดยไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ว่าจิตของพระอนาคามีนี้รู้ทันเรื่องของร่างกายหมดแล้วรูนะ ว, ว่าร่างกายนี้มันเป็นเหมือนกับดักของความทุกข์นั่นเองจะไม่หนุที่อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะไม่มความติดอยู่กับรูปสิงถถ่งกิริยทุตตะปะชนิดต่างๆถ้ายังจัดการมาัดหาไม่ได้ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เช่นพระโรสวดาบันกับพระสธิราค่งเียยังไม่สามารถตัดกามตัญหาหรือราคะัญหาได้อย่างสิ้นเชิงเพราะยังไม่ได้เจริญอสุภกรรมฐานคือพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายในรูปแบบตา่างๆพิจารณาส่วนที่ถูกถูกซ่อนไว้ใต้ถินัน เคยพิจาณาสภาพที่เวลาที่ตามไปแล้วถ้าเห็นสภาพของร่างกายว่าเป็นสุภาิไม่สวยงามน่นากเกลียดน่ากลัว mm hmm. ก็จะไม่มีความยินดีกับการเด็ดการต่อไปถ้ากลับได้อย่างรากคาบแล้วก็จะ ติดก็จะไม่สวงหาร่างกายของขันต์ต่อไปไม่ต้องหาความสุขจากมืดเสียงกินลดตกตะพก็ไม่ต้องมีตาถึงจิกหงิกใจไม่ต้องมีร่างกายนี่คือเรื่องของพระอนาสาเพราะท่านตัดกาลักษณะด้านเราแต่ท่านยังติดอยู่กับเรื่องภาวะปัญหาคือการ ย, ยังอยากมีอยาบเป็น อย่างนี้อาตาตัวตนยังอยากเป็นใหญ่ยังอยากนียังอยากจะให้ผู้อืนี้ยกย่งองเขาลดกานั่งตึและยังมีความอยากในความสุดที่ละอีกที่มีอยู่ในใจแต่เป็นความสุดที่ยังอยู่ภายใต้กฎของใจรักอยู่ือเป็นความสุดที่มีการเปลี่ยนแปลง เลาเาก็เกิดทุกข์ด้เหมือนกันแต่เป็นความทุกข์ภายในใจเวลาที่จิตสงบสงบมันก็สงบจิตเริ่งคิดตัวแต่มันก็จะมีความทุกข์กับกันได้คือคิดตัวแต่งไม่ทางจิ่เลแต่ทางอัจฉาิจะคนนแต่ท่านจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องขอ ง, งร่างกาย เรื่องของร่างกายนี้ท่านเข้าใจอยูแล้วทุกศาสตร์ทุกสื่อแมหลงอยากได้ร่างกายของใครมาเป็นคู่ครองนักปราท่านก็เลยสามารถที่จ ะ, จะเจริญธรรมเพื่อบรรย์เป็นพระอาหารได้ใ น, นประวัตทาานบนโลกไม่ต้องไม่กลับมาเกิดเป็นเลยก็ได้นี่คือ การที่เราได้ปรูกฝังธรรมะให้อยู่กับใจบัง้งนเราโดยาการมั่งมั่นขึ้นมามันก็จะป้องกันใจไม่ให้ไหลกลับไปสู่กระแสของเล่เพราะคำว่าโสตโสดาบันนี้ก็มาจากคำว่าโสดตโสตมีภาษาบาลีแปลว่ากระแสกระแสะอยู่ท่านธังน เหมือนกับเราขับรถขึ้นทางเดือก็ขึ้นทางเดือหน้าแล้วมันก็จะพาเราไปเจอจุดหมายปลายทางทางเดือดอย่างรวดเลยเพราะไม่มีไม่มีไฟแดงไม่มีแย่ไม่มีอะไรที่จะหลอกให้เราเหลงทางได้เล่้นไปบนทางา เ, เางดือดอันี้เดี๋ยวก็ไปถึงจุดหมายปลายทางไปถึงด่านเก็บสตานค์ถึงที่ที่เราต้องการปัป ดังนั้นาการปฏิบัติธรรมนี้คุณต้องทุ่มเทเรล่มเวลาให้มากเท่ากับที่เราทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาทางโลกทางโลกเราทุ่มเทให้ได้ตั้งยี่สิบปีทำธรรมเพียงเจ็ดปีนี้เราทำไมจะทุ่มเทในะห้ได้เหมือนกันเรียินเหมือนกันแต่ว่าต้องไปหาโรงเรียนที่มีครูมีอาจารย์ที่รู้เรื่องทางนี้จริง มาสอนแต่เรื่องนี้อยู่สอนแต่เรื่องธรรมะอย่างเดี้อย่างสมัยที่ตะวียัดต่าางวัดต่างนั้นก็เหมจะได้ไปโรงเรียนอย่างที่คุณเห็เลยเขาจะทุ่มทุกสิ่งทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ให้อยู่กับการศึกษาและการปฏิบัติที่ว่าัฒน์วัดต่างสมัยก่อนจะไม่มีธารกิจอย่างอื่ให้ทําไม่มีการก่อสร้าง ไม่มีการเกี่ยวข้องกับจบาาตางาญโยที่จะมาทำบุญ<ม>บุญบางสังส่วนต่างๆบางสกุลหรือสังฆท า, านหรือทำบุญวันเกิดเพื่อเล้ยให้ส่วนเหพาะเท่าอะไรอย่างนี้ธุรกิจแล้วนี้จะไม่มีที่พักาตา่างต่างา มีแต่หน้าที่ของพระคือเดินตะบาตแล้วก็ทำความสะอาสศาลาปากว่าถือโดว่าให้สะเรียร้อยแล้วก็ให้เข้าทางอยงกมให้นั่งสมาธิให้ปิดจิเตเวทอย่ในป่าทุกสี่ห้าวันอาจารย์ก็จะเรียกไปอบรมพระอุปัาระจม เรื่องธรรมะเรื่องวิธีของการปฏิบัติต่งางๆปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นวิธีที่จะแก้ปัญหาต่างๆท่านก็จะคองสนนอนอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยสบานไม่ต้องทำอะไรเป็นแต่ทาตามที่ท่านสั่งที่ทาา่ทสาสอนไม่นานก็เรียนจบท้าน ม, มีโรงเรียนแบบนี้มีครูแบบนี้ สมยัยหลวงปู่มั่นก็เป็นแบบนี้ลูกลูกหาที่ไปศึกษาสัยหู่มั่นท่านก็เลยจบกันเป็นตำหนิว่าประวัติขงทานาก็เคยได้ยินได้ฟาเหมือนกันตาทูของท่านก็กายเป็นประา่าเป็นเครื่องมือว่าได้ยนจนสำเร็จยาจากเรียนทางพระพุทธศาสนาวัาในี้ท่านปฏิบัติกันจริงจงไม่ถี่ปี เม่อสี่ีต้องได้อย่างน้อยขั้นอย่างขั้นก็เหมือนจะได้ถึงขั้นสุดท้ายนี่จะชาและจะแรงก็ก็อยู่ที่อินทิอินสีของทัาน ค, คือจัตทาวิริยะสติสมาธิปัญญาว่ามีมากไม่น้อยถ้ามีมากก็จะไปเลยถ้ามีน้อยก็ไปชาหน่อยนึ่งที่พระพุทธเจ้าส่งตัดไว้ว่า เจวันก็ดีหรืเจ็ดเดือนก็ดีหรือเจ็ ด, ดปีก็ดีเพราะการแต่ต่างกันในใ น, ในอินทรีย์เนี่ยในศรัทธาศรัทธานี่อาจจะมีมากจะทากันแต่ริยะเวลาในสหาอาจจะไม่เท่ากันสติอาจจะมีมากน้อยไม่เท่ากันสมาธิปัญญาอาจจะมีมากน้อยไม่เท่ากันก็จะเป็นเป็นตัดใจ ่จะทำให้การการการสำเร็จการศึกษาในทางพระพุทธศาสนามีความจตกต่างกันหรืออาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาทำให้ยังไม่สามารถที่จะลงได้อย่างเต็มที่เช่นพระอานนี้พระอา น, นนี้ก็มีภาระอุปธรรมปรางาทุกกระจา ยังไม่ีโอกาสที่จะเปิดเรืไปคอนเทนได้อย่างเต็มที่ก็เลยเหมือนกัว่าพักเรียนไปช่วงคราวมีนักเรียนแล้วพอดินทางบ้านมีมีมีความจําเป็นต้องอาศัยให้ไปช่วยงานทางบ้านก็เลยต้องพักเรียนที่โรงเรียนก่อนก็ไปช่วยงานทางบ้านพองานทางบ้านเสร็จแล้วก็กลับไปเรียนต่อพอกลับไปเรียนต่อ น, นี้่ก็ ก็ยังสามารถจัดได้อย่างพระอนุนี้ก็ชอบดีที่ภาระของท่านนั้นนี่ถึงน่้จะเป็นภาระเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ก็ได้ได้ศึกษาตลอดเวลาเพราะอย่งในเงื่อนไขของพระอานน์ตอนที่รับภาระนี้ก็คือว่าถา้าพระพุทธเจ้าไปรงแสดงธรรมที่ไหนกต็ตามถ้าพระอานุนไม่ได้ตามไปด้วยพระพุทธเจ้าต้องมาแสดงธรรมให้ชาวพระอนุนได้ฟังสิบครั้ง เพราะท่านถห็ว่าการการที่ได้รับใช้พระพุทธเจ้าครก็เพื่อการได้ยินได้ฟังธรรมะนั่นเองเพราะเวลาได้ยินใต้ิี่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าท่านจะพูดอะไรมันก็จะเป็นธรรมะนะยุติธรรมหาพระเในรต่างๆที่มัจะแยกกันที่จะเข้ากันปิบัติกับคู่บาอาจารย์จะรับใช้ท่านอยากได้ยินใกล้ทิดเข้า เพราะว่าจะได้มีโอกาสได้รับการอบรมอย่างใกล้ชิดเพราะผู้ใดก็ตามถ้าเป็นใกล้กท่านแล้วท่านจะคอยดูกิดดีอาการตลอดเวลาถ้าเห็นออกไปนอกทิศนอกทางสาปทางกิเลสท่านจะท่านจะเดินกลับมาทันทีแล้ท่านจะมีปฏิธรรมคอยสอนอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะทําอะไรเป็นปฏิธรรมเป็นอุบายที่จะ ที่จะสู่ฟังให้เกิดสติปัญญาขึ้นได้การได้รับใช้สุตธรรมปรงคูบาจ า, างาเป็นการสิ้นเงินเป็นเรื่องที่ยากกันมากอยากได้กันไม่ใช่อยากจะได้จากทางโลกคืออยากจะได้ล่ามยดที่คูบาจางได้รันนรบจากญาติโยมนี่ก็เป็นอย่างเงื่อนไขของพระอนุม ที่ว่าถ้ารับฐาะการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่ขอรับรับต่างๆที่พระพุทธเจ้าจะให้แต่พระอนุโมทรอื่จะหาว่าดู ก, กาหาว่ารับใช้พระพุทธเจ้าเพื่อความยิเพื่อบาปสกจาะนั้นไม่ว่าของอะไรดีๆทั้งหลายอย่าให้พระอนุทพระอนุโมทรมากเยไม่เอาขออย่างเดียวขอธรรมะ ไม่ได้ไปไม่ได้ติดตามไปด้วยไม่ได้น้ไปทรงแสดงทำที่ไหนเสร็จแล้วก็ขอให้กลับมาแสดงให้สพัพพะอีกท่านแสดงความบริสุทธิใจว่าท่านทํานี้ทําเพื่อธรรมะอย่างนี้เพราะเรื่องรากจากการนั้นท่านเลยมามากแนละ้วท่านเป็นเจ้าชายเหมือ น, นพอระมกุฏเจ้าท่านเบื่อสิงอ่งนี้นละ้เพราะท่านเห็นแล้วมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นกลับดัก ที่จจับดักใจของสัตว์โลกให้เย็นว่าชาเกินอยู่ในภพง่ายภพใหญ่ไม่รู้จักเกิดสิ่งท่านจึงต้องดิน้นออกจากกับดักเมื่อออกมาแล้วจะกลับไปหากับดักกับดนั้นทําไมเวลาคุบาอาจารย์ท่านมีรากสตาระแล้วก็มีชื่อชั้นหนึ่งที่ไปพยาข้อร้อนก็รากสตาระนี้ มันก็เป็นความหลวงของพรนะเนรนั้นแต่สําหรับผู้ที่ท่อหางุบาจารย์เพื่อธรรมะจริงๆนั้นไม่ได้เป็นถ้าที่เคยได้ยินท่าเองที่อุปถัมภะคุบาอาจารย์ในสมัยที่ท่านมีราช ก, กาละเนี่เวลาหลังจากที่คุบาอาจารย์ท่านจากไปนะเขาก็ลาสิกข า, ากันไป เพราะเขาไม่มีธรรมะมีในใจที่จะดึงใจเขาไว้ให้ยินกับทำได้เพราะไม่มีกูบาลจ้าไม่มีปะ ก, การะที่ได้จากกูบาจลาลาบตักาะละแล้วก็ก็ไม่ไม่มีใจที่จะยินต่อไปก็ลาบักกากัานต่องนั้นขอให้เราดูใจของเราว่าเรายินดีกับอะไร ยินดีกับธรรมะหรือยังยินดีกับราดยุทธะนตสเสนสุขถ้ามีความยินดีในราดยุทธะนตสะสนสุนี้พยายามตัดมันไปเถอะมันเป็นยาพิษมันไม่ใช่เป็นธรรมะเอกสุด ข, ขอให้เรายินดีกับธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะศึกษาหรือธรรมะปฏิบัติทุกครั้งที่จะเปนอะไรฟังถามว่าเราควรจะฟังอะไรฟังยาพิษนี่เราจะฟัง อาหารที่มีประโยชน์แก่ิศใจเพราะพอมีสติอย่างนี้แนละ้วมันก็จะได้จะได้เปลี่ยนใจได้พระเจ้านี่ก็มีคนสารภาพาาว่าควตรยาพิษดูตรยาพิษไม่ดูธรรมะเลยมีปัญยามากถึงก <c oughs> ับกล้าสารภาพไม่อายเลย <c oughs> ท่านีจะคิดว่านี่เรานี่ ควรจะรีบกลับตัวกลับใจกลับรับหน้าหน้าชื่นตาบางไม่ได้ฟังคำเลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยดูแต่พละทัศนฟังใจไม่ดีแบนี้ไม่ได้วานพอดูพูดมาเรื่องความรักเข้ามาพอดีความหลงมันมันร้ายกาจขนาดนั้น มันทําให้เราเห็นว่ามันไม่เป็นไม่เป็นโทษไงเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปัจติของเราแต่ถ้ามองจากธรรมะแล้วนีนน่โอ้โหเราไม่แย่มากเราไม่เห็นคุณค่าของเวลาของชีวิตของเราเราไม่เห็นยังไม่เห็นคุณค่าของธรรมะเนีเ่ยเรียนไปห้ายไปไปตีปฏิจจุบันเราจะไม่มีทางเจ็บเลยเพราะใจไม่ฝันยธรรมไม่ยินดีในธรรม ยังอยู่ในรูปเสียงเิ่นแล้วยังติดอยู่ในรูปเสียงเก่งแล้วด้วยการาได้ยินได้ฟังทำมันก็เกิดประโยชน์องนี้ยมันได้ได้ไดสติเตือนใจได้ข้อคิดไปไปเป็นการบ้านต่อชาวพแลาศักดิ์ให้าาการบ้านไปทําก็บน่นว่ายากทําไม่ได้ต <laughs> อนนี้จะให้ง่ายหน่อยให้คิดอยู่ทุกครั้งว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ เรากําลังยินดีกับอะไ ร, ร เ, เรากำลังยินดีกับราเยศสารเสร่อมสุขนีือเรากําลังยินดีคธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเรายินดีกับราบยเยศสารเสร่อมสุขเราก็ควรที่จะพยายามถอนตัวออกมาเพราะมันเป็นเหมือนกับดักจับปัจจาระนี่มันหนีทันมันจะไม่เข้าไป แต่สตว์ที่ไม่ลาดนั้นก็จะเข้าไปกินอาหารที่ที่วางไว้ในกับเพราะเกยบกับปั๊บก็จะถูกจับไปทันทีไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้ความสิดทา ง, างกาวหุนกดเลื้องกาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากที่ที่ผูกที่จับสันโลกให้ต้องเวียนไหวตายเข็งอยู่มา ไม่รู้จักบจบนะซึ่งก็คือส่วนนี้คือการมาสุดเหือการมาทัการมามตัญหาความอยากในการเรื่อนี้นต้องเห็นมันว่าเป็นเหมือนกับเอาตอพิษเป็นเหมือนนี้อย่าไปคิดว่ามันเป็นเพื่อนดีเวลามันชวนอนเราอย่าไปกำ ม, มันกำมันหลอวเราไปไปเชื่อ เลยไม่รู้สึกตัวนะฮยินดีในธ ร, รรมพยายามคิดถึงธรรมะคิดถึงการฟังเทศน์ฟังธรรมคิดถึงการปฏิบัติธรรมเรืเร่อ ย, ย, ยนี่เป็นการบ้านสำหรับปทะ่ยศนี้ บางคนก็เป็นเหืคนไม่เช้าคนไ่ก้าวสรภาพกอาจจะมีสติพอที่จะคิดว่าแหมมันมันเล่นได้น่าอับอายด้วยนะนี้ไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นทางจริงของชีวิตแต่มันก็เป็นประเด็นที่ทําให้ได้ จะยกขึ้นมาเป็นเครื่องเตือนสติต่อไปเวลาที่เราบ่นกับตัวเราเองว่าทำไมเราไม่ก้าวหน้าเลยเราจะได้ไม่ต้องไปโทษชัโทษความยินดีของเราเนี่ว่าเรายังยินดีอยู่กับในรูปถึงกินรู อ, อยูเราไม่ยินดีในธรรมพอเราคึดไม่ได้ให้เวลากับธรรมพอครับทุกคนเราเอาเวลานี้ไปให้กับ ทางลูดเสียงกลิ่นและกิว uh huh. เวลาของพวกเรามีจํากัดคือวันหนึ่งก็มีมนิดเดียวขนมาเราจะแบ่งไว้ไปทางถึง uh huh. ถ้าเราไปทางนั้นเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาทานี้ได้ uh huh. ถ้าเราเอามาทางนี้เราก็จะไม่มีเวลาไปทาง น, น, uh huh. นั้นเราก็ควรที่จะลดเวลาที่เราให้กับรูกเสียงกิ่นและ ให้เหลือน้อยลงไปแล้วก็เอาเวลานั้นมาเพิ่มกับทางด้านความยนดีในธรรมะให้ดีมากขึ้นไปเวลาจะดึงโทรทัศน์ดึงหนังก็เปิดเทปธรรมะฝังหรือเปิดทีๆธรรมะดูก็ได้ดูสารคดีทางธรรมะก็ได้ดูอาไรก็หนาที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเพอจะได้ มีอะไรไว้คอยเยวีวรังคิดใจเพราะเมื่ดูบ่ยบอยๆเข้าก็าจะเห็นคุณเห็นคุณค่าของการทก็จะทำให้เกิดมีความยินดีมากขึ้นเราต้องการยินดีต่อการดูการฟังพอดูได้ดูได้ฟังแล้วก็จะเกิดความยินดีต่อการปฏิบัติเรานี้เราเออดีอย่างนี้ดีไหมแต่เรายังไม่ได้ปฏิบัติมันก็ยังไม่เหมือนกับว่าเหมือนกับยังได้รับประทานคาห ดูเขาสาธิตเรื่องการทำอาหารดูเขารับประทานอาหารดูเขาโฆษณาคุณค่าของอาหารรสชาติของอาหารว่าดีอย่างไรเพราะดูแล้วก็เกิด น, น้ําลายไหลขึ้นมาแสดงว่าเกิดความินดีที่จะรับประทานก็ต้องไปรียมวหาอาหารที่เขาเขาเขาสาธิตไว้เพื่อจะได้รับประทานเราได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมะเรื่องของการศึก จะเรื่องของมัรสมลิการจะเรื่องของพระสดาบันพระกสิราคาริพระอนาคาริพระอาห า, า, า, หาพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะเกิดความยินดีที่อยากจะเป็นบ้างาก็จะได้เรือมออกปฏิบัติกันเริ่มทำหนังทานให้มากขึ้นเงินทองที่จะเอาไปเที่ยวการานที่ต่างๆก็อๆเอาไปทำทานเสีย สิงที่ไม่ค่อยมีก็จะพยายามรักษาให้มีมากขึ้นให้บิสุทมากขึ้นสมาธิที่ไม่มีก็พยายามนั่งให้มากขึ้นให้มีมากขึ้นปัญญาที่ไม่มีก็พยายามที่จะพิจารณาพยายามที่จลาแสงให้มีมากขึ้นไปพอได้ปฏิบัติอย่างนี้แนละ้วปิติก็จะก้าวหน้าไปเพราะผลมันเกิดจากการปฏิบัติ มันไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นจอให้เกาะชายช่าวยิ่งของจุบาการหรือของพระพุทธเจ้าเวลาไปวัดจะไย่างที่นั่งข้างหน้ากันนั่งแล้วก็ดูหน้าท่านความคิดท่านแต่ไม่ได้เข้าไปสื่อใจอย่างนี้ก็ไม่เปิดตื่นเหมือนกับเกาะชายชาวยิ่งอย่งที่พระพุทธเจ้าตองการว่าจอให้เกาะช ต่อให้ได้เกาะชาตท่าเดินของพระพุทธองค์แต่ถ้าจิตไม่ใฝ่ธรรมคือไม่มีสติไม่เจริญสติไม่เจริญปัญญาก็เหมือนกับไม่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าส่วนผู้ที่อยู่ห่างไกลจะโยนใจพระพุทธเจ้าแต่มันเจริญสติมันเจริญปัญญามันเจริญธรรมถี่เรืนอยๆผู้นั้นอย่าคือผู้ที่อยู่ใกล้คิดพระพุทธเจ้าเพราะผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีดวงตายันทำต่อไน จะเป็นผู้เห็นธรรมแล้วเมื่อเห็นธรรมแล้วผู้นั้นเลยจะเป็นผู้ที่เห็นเราตถาคต<จ>ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเลยคือผู้คือคคผู้ที่เห็นตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมเกิศชรีระร่างกายของตถาคต น, นีน้ไม่ใช่ตัวตถาคตต่อให้นั่งใต้คิดต่อให้เจ้ามองอยู่ดูอยู่ทุกวันก็ไม่ใช่ตัวของตถาคต ตัวฐานะกฎันอยู่ที่ธรรมะความจริงเวลาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ต้องมีปติจบรับจอบกับการฟังอย่าไปนั่คิดว่าอยากจะให้ครูบาอาจารย์อยู่กับเราไปนานาอยากจะได้เข้ามากราบท่านทุกวันความคิดอย่างนี้ดีแต่มันไม่พอการที่ย้อยากจะอยู่ใกล้คิดกับท่านก็ดีอยากให้ท่า น, นอยู่กับเราไางนางนางก็ดีจต่ต้องมีเหตุผล ก็เพื่อให้ท่านได้ประดงธรรมแก่เราเพื่อเราจะได้ยืนได้ทําทําอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ได้เกิดมีสันวิริยะที่จะปฏิบัติทํามขึ้นมา น, นี่คือาการฟังธรรมต้องเป็นอย่างฟังเพื่อให้เกิดสันทาริยะที่จะปฏิบัติเมื่อมีสันวิริยะและ้วเวลาปฏิบัตินี้ไม่ต้องนั่งอยู่ใกล้ธรรมแล้วเานั้นต้องได้เจตีเรื่อะ มาหาี่สุทัเแล้วพอรู้สึกว่าธรรมจะจารหายไปจากใจก็กลับมาหา<ม>ท่านอีกตลมาฟังเทศน์ฟังธรรมต่อแล้วก็กลับไปปฏิบัติครูาอาจารย์ท่านต้องคอยอบรมรางเอ๋ยที่อย่กับท่านอยู่อย่างสนองเสมอถ้ า, ถ า, าท่านไปดูภากิจทางเอง๋ยบางเจ็ดท่าสี่อนท่านก็จะเรียกประชนุนใจแต่ถ้า มีภาระหนมากก็ต้องห่างไปเรื่อยๆตอนแรกๆ ก, ก็อยู่ครับท่านท่านก็จะเรื่องอบรมเพื่อ 4-5 วันก็จะอบรมตั้งต่อมาก็7วันบ้างต่อมาก็หารบางเพราะมีภาระินบ้างมีปัญหาทางด้านสุขภาพบ้างจนจนบางครั้งก็หางเป็นเดืนอนเลยก็หนีแต่ก็จนเพราะว่าท่านเห็นว่า ธรรมะของท่านนี watering, e ้ทั่านก็ได้ในการอัดนมาอยู่เป็นจำนวนมากแล้วถ้าทุกอค์ก็สามารถที่จะเอาไปเปิดทำได้ท่านก็เลยไม่ค่อยได้มีตกกลางเด่นมากนักแต่ท่านเวลาที่มเครื่องใช้ไม่สวยในสมัยใหม่นี้ก็เอามาใช้ประโยชน์ในทางธรรมะได้แล้วถ้ามาเปิดทำทำได้ธรรมะต่างๆที่เรามีอยู่นี่ เวลาที่เราอยากจะทําแล้วก็ามาเแต่นนได้ไม่ต้องไปหาตัวทันน้งเสมอไปเพราะธรรมะที่เราฟังแต่เราทำมือเราอาจจะได้เพียงไม่กี่ประเด็นท่านพูดน้อยคานี้อาจจะได้เพียงสิคําเท่านั้นเองหรือข้าใจเพียงสิทธิคเพราะว่าจิตของเราเบ้างนั้นอยู่ในระดับนั้นรับได้เพียงส่วนนั้นแต่ส่วนที่เหนือควา กล้ามากของใจเราที่จะเข้ากับด้านนั้นก็มัน ก, มนก็มันก็ไม่มันก็ไม่เท่ากับแต่พอเราไปปฏิบัติทางขยับขึ้นไปอีกหน่อยพอเรากลับมาฟังการเทศทางเดียวนี่นะกลับเหมันก็ได้ฟังใหม่เมันก็ไม่เคยได้ฟังมาก่ อ, อ, อนเออคราวที่แล้วก็ฟังนะแต่ทําไมมันมันไม่เป็นเหมือนกับคํานี้ไมันไว้ได้ได้อะไรที่ไม่ได้เหมือนกับข่าวที่แ้นั่นอย่าไปคิดว่าธรรมะที่เรา เราฟังแล้วนี้มันมันจะขัดตาจาเป็์หรือว่ามันไม่มีอะไรหมกมันมีแต่เราไม่รู้อเองขอให้เราใช้การได้ยินได้ฟังทัสนากับการออกไปปฏิบัติเป็นแนวทางแห่งการดาเนินการเข้าหาครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปเพื่อที่จะเห็นหน้าเห็นตาได้หยืงให้ท่าน ได้พูดคุยอะไรกับลราเราต้องการไปฟังธรรมอย่างเดียวถ่าฟังแล้วเราก็จะได้มีกฎเดณฑ์ที่จะอาไปใช้ในการปฏิบัติต่อไปมีการบ้านไปทําเป็นการที่ต้องระเ บ, บีนี้เป็นการบ้านใช่ไหมคือเหตุการณที่เรายังทําไม่ได้เป็นนั่นแหละเป็นการบ้านของเราเสตุงารณ์ที่เราทําได้แล้วอันนั้นก็หมดขนาตไป คือการเข้าหาครูบาอาจารย์ช่องทางหนึ่ในเวลาเราไปวัดถ้าไม่ได้ไปนหน้าทํางานก็ไม่ต้ไปเบียดร้อนหรอกถ้ า, าเขามีมีระบบเสียงที่เราสามารถได้ยินได้ฟังเหมือนกับด้นใกล้ชิด ก, กับท่านจะใช้ได้เราไงที่เราไปก็เพื่อไปไปหาธรรมะทา่านเพาะว่าในตัวท่านหมีธรรมะให้กับอย่างแต่เราไม่ต้องการมาเป็นผับท่าน ต้องการขนนจากท่านไม่ต้องการให้ท่านยื้มให้เราทักทายกักเราบนนั้นก็เถ็นว่าเป็นของแถมก็แล้วกันเหมือนกับเปจำน้ำมันถ้าปั้นเขามีแจกอะไรเขาจะให้มาเขารับไว้แจกถ้าขนหนูแจะปัดกาแจะยิ้มซอแจกสมุดก็รับไว้แต่เราไปปั้มเราไม่ได้ไปเอาเสิ่งนั้นเราไปเอาน้ำมันน้ำมันก็จะได้ ขับรถของเราให้ใจสุดติดน่ อ, อยทางเราไปหาธิบาอาจารย์เราก็ไปหาธรรมะซึ่งเป็นเห็นน้ำมันที่จะขับติตใจของเราให้ใจสุด ม, มากติดทางน้ำมหนน้ำมันเหมือนการคับรดชอบเย ลูกราะเรียนถามท่านอาจารย์คือต้องอารสอบแเรียบร้อยว่าท่านอาจารย์เีแล้วให้กลังใจแล้วมีความควัเนานเลเจวันเจปี่มันเึงนไปได้เราไม่ทำเองใช่แล้วเมื่อไหร่ท่านอาจารย์จะเปิดโรงเรียนอย่างไม่ทันจบท่านอาจารย์ก็เึ่มาว่าเจอทุกครั้งก็ไม่มีประโยชน์ถ้านั่งฟังท่านอาจารย์แล้วกันี่ไงก็เปิดแล้วเนี้ยเที่มาทุกเดือนเนี่ยไม่เป็นทางการ ก็มันไม่มีทางการหรอกมันทำธรรมะไม่มีทางการไม่มีการกตัดนิงๆไม่มีการเจอกันเมื่อไหร่จะต่อกันมนันนะเจอหน้าครูบาอาจารย์เม่อไหร่ครัเตรียมรับทันทีนท่าไม่ได้บอกว่าเอาว่าน่าจะสอนธรรมะนะพอเห็นท่านนี่ก็รู้แล้วไงว่าธรรมะออกไา้ที่จะมาโรงเรียนแล้วคราว น, นี้ก็ทําหน้าซื่อสอนแล้ว มันต้องเอาไปเท่าห้องปฏิ บ, บ, บัติการต้องไปทากันบ้างก็ต้องไปไปทดสอบหรือว่าผ่านนี้ไม่ผ่านอันนี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วหน้าที่ของผู้สอนก็บอกทางแล้วหรือถ้าไม่ไม่ชัดเจนพอก็ถามได้กับข้องเข้องใจตรงไหนติดตรงไหนก็ถามได้ไม่ไม่เคยห้า จริงๆถ้าเราเทุ่มเทเวลาให้เราออกงา น, านทักปีหนึงก็ได้ลองดูสักปีหนึงก็ได้ถ้าเขาให้เราดาาได้ลองเอาปฏิบัติจริงๆสักปีกนึงมันต้องได้นะอย่างเราก็ลองดีปีนึงเราก็ได้ว่าอาอกบุกได้ตอนต้นก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนได้หรือเปล่าตอนนั้นยังรักความฝึกทางโลกอยู่ยังเสียดา การต่งก็แลยว่าต้องลองอยู่สตกปีอยู่นะพระอยู่ตักตับทางความสุขทางโลกเป็นเพือสิงต์แตกแต่ไม่ได้รุ่งขาวห่มขาวไม่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นสิงต์แตกแต่เรารู้ว่าสิงต์แตกเปนอะไรแต่เราศึกษาแต่เรารู้งการปฏิบัติทางภาวนาปิตาภาวนาสี่ลายบ้านก็ใช้ สติประธา น, นเป็นเป็นเป็นความถี่ของการปฏิบัติทั้งสมมติและวิปัสสนาอยู่ตรงนี้คือสมที่สติประทานเ็นอาณาปานสติก็อยู่ในนี้เป็นเป็นบทแรกเลยของตองสืบในปัญหาที่เป็นนั่งอยู่คนไม้ยื้อยู่ในเดิอ น, นั้น เป็นควารที่ถนัดถนัดนิเวศไม่มียูดสูงจรินไปมาลดความติดใจนั้งสบายอิเฉพาะหน้าอยู่ที่ลมหายใจสร้างตัวให้ตรงนั่งตักสมาไม่ต้องเกรงตั้งตัวให้ตัวแตวนไม่ต้องเต็มเวลานั่งเวะลาพอนานแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคือ่ยวกับวิริยาณของร่างกายถ้าจะรู้สึกว่าเอ็นบ้างไปทางซ้ายขวาหรือไปทางหน้าหลังก็อย่าไปสนใจ หลังไม่ตรงบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้ถือหลักว่าเราตั้งมันตรงแล้วเพราะว่าถ้าเรามาภาวนากวนกับอิเลียบุตของร่างกายมันก็ไม่ได้พาวนาขอเริ่มภาวนาแล้วถ้เป็นอานาปานาัสสปิก็ให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดร็วให้รู้อยู่กับลมหายใจอย่างเร็วหายใจเข้าก็รู้ว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ากําลังหายใจออก หายใจยาวเขรู้ว well, ่าหายใจยาหายใจสั้นเขารู Mo Mo ้ว่าหายใจสั้นลมอยากก็รู้ว่าลมอยาบลมละเอีดก็รู้ว่าลมละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปให้รู้ความจริงของลมไม่ต้องไปจัดการกับลมปล่อยให้ลมเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วถ้าเกิดรู้ว่าลมหายไปก็อย่าไปตกใจอย่าไปคิดว่าลมหายใจนั่นเดี๋ยวเราจะตายเพราะไม่มีลมหายใจ เพราะการกินนั้นขณะนั้นลมมันละเอียดมากจนกระทั่งไม่สามารถกลับมาได้ <c oughs> แต่ตายได้ถ้ามีสติคือตัวรู้อยู่นี้ไม่ตายขอให้เข้าใจะไราละเยให้อยู่กับตัวสติให้อยู่กับตัวรู้ <c oughs> ถ้าไม่มีลงให้รู้ก็ให้อยู่กับตัวรู้นี้ไปแต่เดี๋ยวตัวรู้นี้มันก็จะมันก็จะรวมตัวลงเข้าสู่ความเป็น ถ้าตอนนั้นร่างกายก็จะหายไปลมก็จะหายไปก็เหลือแต่จับแต่ว่ารูออยูตามเป็นผ่านเงนขณะที่มันสงบอยู่อย่างนั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันก่อนให้มันสงบให้มันวิ่งไปให้นานที่สุดเท่าที่จะห น, นังได้เพราะความสงบของจิตนี่แหละเป็นเป็นฐานของวิปัสสนาต่อไปฐานของปัญญาต่อไป เพราะเป็นธรรมอาหารเวลาติดนมนีความสงบมิจะมีความอื่งกิเลสจะไม่มีกําลังมาถูกรากให้ใจอยากได้ถึงนั้นอยากทําสิ่งนี้เวลาออกจากสวลาที่เรแจะไม่เคยจะมีความอย่างเหมือนเมือกเหมือ น, น, ก, น, นกับตอนที่ไม่มีความสงกแต่ยังไม่หมดไปกตัวเองเพราะว่ากิเลสยงไม่ได้ถูกทําลายมนความอย่ากยังไม่ได้ถูกทำลาย ด้วยด้วยอำ น, นาคของสมาธิเป็นจะเหมือนกับถูกฉีดยาสะลบทำให้มันออกกำลังลงไปพอออกจากสมาธิแล้วมันก็จะมีความอยากอยู่แต่มันไม่มีนแรเหมือนตอนที่ไม่มีงรรษาะะ mm hmm. ตอนนั้นเราก็จะสามารถใช้จุดนี้มาทำงานทางด้านที่พัสนาได้มนคิดทางเกี่ยวกับทางธรรมะได้ พรถ้าจิตมีกิเลสมีกําลังมีความหยาบมันจะไม่ยอมให้เราคิดทางธรรมมันจะให้เราคิดทางราบแลิดแต่ละเสริมทางตาทางเลือกเสียงกิ่งก้อนอมันก็จะคิดถึงทีวีคิดถึงโทรทัศน์คิดถึงมือถืคิดถึงเครื่องบรรเทิงต่างๆนี่แหละคือคือกิเลสคือความหยาบทางด้าน การเป็นอย่างนี้มันจะให้เราคิดแต่เรื่องอางานนี้แต่ถ้าได้สมาธิแล้วออกมาไปไหนเรื่องอาหนี้มันจะไม่กระหายแต่นอกจากมันไปเห็นหรือไปสัมผัสอะไรายชอ่องนั้นถึงจะกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นมาได้ทีงถ้าเราออกไปเห็นหน้าตาตรงนั้นตรงนี้มันก็จะไปกระตุ้นสิ่งที่ยังมีอยู่ให้ออกมาได้แต่ถ้าเราอยู่ในป่านในถ้ำหรือในที่ สงบสนัขึ้นห่างไกลจากอุปเสียงนั้นมันก็จะไม่มีตัวที่จะมากระตุ้นให้เกิดอารมณ์อย่างนี้ขึ้นเราก็สามารถเดินจนน้กคนพิจารณาธรทำได้ายากอย่างเพื่อเกิดนกว่ากําลังของสมาธิจะหวดแล้วเกิดเรื่องอะรอมาลบกลมตอนนั้นก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับเข้าไป ส, ส, สู่สมาธิขีดยาสํารุปให้ีกิด พอไปทำจิตให้สงบน่าใช้อนาปัญสติก็ลกลับไป น, นั่งอนาปัญสติต่อดูลมจดินนะครจิตเงื่อนโยนสงบนิ่พักอยู่ในควาสมสงบพักให้พอพอพอแล้วถอนออกมาก็ออกมาทํำงานนี้พิจารณาทำต่อไปทานี้ก็ต้องเป็นไปละวิจารณ์ทุกขนันมะตาในรูปก็ได้ในเวทนาในสัญญาสัญญาสขนขันนอย่างก็ได พมันเป็นตัวที่ใจ ย, ยังไปหลงยึดติดยังไม่เห็นใจรักในรูปจริงในรูปวิน า, ากนาฤฤฤฤฤัญญาสักดีเห็นว่ า, าเห็นว่ารูปนี้เพีย ง, ยงเห็นว่ารูปนี้ให้ความสุขเห็นว่ารูปนี้เป็นตัวหนึ่ของเราเพราะตั้งหนูติสาแกแยะว่ามันเป็นเพียงสภาวะณ์ธรเป็นเหมือนกับลม ที่พักนาแล้วก็พักกันมันไม่มีตัวตนมันนั่นอยู่นิ่นมันเปลี่ยนไปอยู่เรื่ อ, อยๆขจนาไปจนข้างมันมันรู้ทันความหลงมันจะไม่คิดอยากจะให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดคือถ้าคิดอยากอยาจะให้เป็นอย่างนี้ก็หมายถึงว่าไม่อยากจะให้มันแกน่ลงไปถ้าเป็นสาวก็ไม่อยากจะให้แก่ถ้ามีจุกภาพเบื่อก็จะไม่อยากให้เกิด ข, ข้าด้วยัน ถ้ามีชีวิตอยู่ก็จะไม่อยากให้ตายนี่คือความคิดกคำกคิเลตมันจะเป็นยังไงมันจะคิดอยากไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอยากก่างถ้าเราจเจริญธรรมะอยู่เรื่อยๆดูสภาพความจริงของรูปของร่างกายมันอยู่เรื่อยๆก็จะรู้ว่ามันต้องแก่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ตัวไปเรื่อยๆสลับกันตายเจ็บบ้างหายบ้างอย่างกรนีที่สุดมันก็จะต้องตายไป แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะมันก็จะกลายเป็นดินน้าำ น, น้ำไปก็พอไปเผามันก็เหลือแค่เศษที่เท่ากับเศษกระดุมไม่ตีดทิ้งเท่านั้นกระดุมนี่มันก็เป็นวัตถุเป็นทิ้งไว้หรือเอาไปบดมันมันก็กลายเป็นดินเราพิจารณาร อ, อยู่นี่อยูอเอ่เรือเอ่อยแต่รลียนนาท่นเดียวกันมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่ตุดตลอดไปมันไม่ทึบตลอดัป มันก็ตลอดกันไปเวลามันเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องจยุ่งกับมันยอมรับความจริงของมันมันสุขก็อยากจะอยากให้มันสุกขจะตลอดมันทุกข์ก็อยากไปอยากให้มันหายไปเยอะเลยหว่านมันเป็นไปตามเรื่องของมันวิธีที่จะปล่อยวางเวทนาก็คือต้องนั่งให้มันเกิดแล้วก็ปล่อยให้มันจกิดไปอย่าไปอยากให้มันหาอย่าไปอยากหนี้จากมันไปอยู่กับมันไป มันเป็นอยางตามตัวเรามันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปมันจะเปลี่ยนเป็นสุขก็ให้มันเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนเป็นทุกข์ก็ให้มันเปลี่ยนไปเราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นนิจการเป็นอย่างนี้นี่คือการการเจริญใจรักในขันห้าพิจารณาไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะปล่อยวางขันห้าสายเข้าไปทางธรรมชาติการการจะเป็นอย่างไงก็ หลายเขาเป็่ยนไถ้าเราไม่สามารถที่จะดูแลรักษาได้ก็ต้องฝากไถ้ายังดูแลรักษาได้่าฝากไปพิจาราก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเราทาอะไรไม่ได้ก็ต้องฝากให้เป็นไตามความจริงนครับแต่ถ้าเราไม่ไปไปหลงไปอยากอะไรจากเขอแล้วก็ไม่เป็นการดีเล ความคิดก็เหมือนันคิดแล้วก็หนับใจถ้าเราไม่ไปตามความคิดก็ไม่เป็นกัญหาคิดโกรธเกียดเพราะนั้นพอที่แล้วนับใจถ้าเราไม่ไปทําตามความโกรธความเกลียดก็ไม่เป็นปันหาอะไรมันจะโกรธใจก็ร่วเป็นโกรธร่อมเอานึิมเพียงความคิดเราจะไปโกรธตามมันไปแล้วกันมันคิดอยากได้ไม่ได้เราอยากจะอยากตามมันก็ไม่เป็นปันหาร่วมมันเป็นเพความคิดเหมืนคนนักกิจวิทย์เรา พันนั้นสิคำนี้สิแล้วก็ได้ยินเขาไหวเราทำถ้าเราไม่ ท, าทาําตามสิอย่างมันไม่เป็นปัญหาเ น, นี่ยคือการกำลังนี้ต่อเวนาต้องใช้ใจลักตลอดเวลาถึงจะเป็นถึงจะเป็นปัญญาถึงจะดับความหลงได้ถึงจะดับวิญญาได้เพราะความหลงนี้มันมองมันมองสวนผ่านกับความจริง<ม>ความจริงก็คื อ, จอาจรักเดียรคือความจริงของสภาวธรรมทั้งปวงทั้งหล ไม่ว่าจะเป็นขันห้าคดีลูกเสือตกดลบปวดกระเพคดีตาหงุดหงิดเรื่องการคดีลาบยศแต่เรเสริมจบคดีแบบนี้มันจะเป็นตายรักเลยถเราเข้าใจตายรักในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่ไปหลงลูกติดไม่ไม่มีความอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วใจก็ไม่ต้องใส่เครืตาอาศาัยคํา พอเข้าใจเวลาปล่อยน้ที่ไหนนั่นพระใจจะได้สิ่งที่ดีกว่าที่มีในใจที่ถูกสิ่ง่างนี้บทบังแล้วอยู่<ม>คือความสงบ<ม>พอปล่อยได้น้ะใจจะสงบใจจะโล่งจะเบาจะเ ย, ย็นเะอิ่มไม่หิวไม่อยากตลอดพอมีความเห็นป้อมนั่นก็จะหิวขึ้นมาทันทีอยากขึ้นมาทันทีพอมีปัญญาดับความเหงได้ความอาื่มก็เกิดขึ้นมาทันที จะต้องใช้ตัวนี้ถึงจะดับทุกได้อย่างท้าวลัดกิเลสได้อย่างท้าลวลงต้องมีปัญมอยากมีปัชนาต้องมีายรักอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ใจไปเกี่ยวข้องกับอะไรต้องมีายรักเข้ามาคอยคอยคุมอยู่ตลอดนะเวลาเพื่อจะได้ไม่เติคิดในทางตรงข้ามใจรักถือไม่คิดว่ามันเป็นนิจารติด ข, ขังหรือเป็นอัตตา ตราคินว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ถึงจะเห็ได้ถ้ามีสติทามรู้อย่างเดียวหรืมีสมาธิอย่างเดียวนี่ไม่พอมันดับได้ทั่วทาถ้ามีสติเวลาเกิดแต้สมาธิทำมันมันก็หายมันก็มันก็หลีดไปวัดพอเราเผลอมันก็กลับมามันดินหลอกจ้าถ้ามีสมาธิมันก็แกล้งนอนหลับมันก็ถูกจิตยาสะกด พอแต่สมาธิเดียวมันก็มันก็ตื่นขึ้นมามันไม่กลับเป็นเท่าแต่ถ้ามีปัญญาอันนี้มันจะไม่มีทางกลับคืนขึ้นมาได้ทุกครั้งที่มันกลับมาปั๊บตรักก็จะจะตัดหัวมันกันถทีพอโผขึ้นมาก็ตายรักก็จะตัดมันทีให้จำทุกอันางแล้วปั๊บผ่นไปเลยนี่คือเรื่องของการปฏิบัติ ท่องไปอยู่ที่สนาดขนาดที่เลยพอปฏิบัติไปแล้วมีปัญหาอะไรไม่เข้าใจหรือฝันล้วมันไปติดอยู่ตรงไหนหรือไม่รู้ว่าตอนจะถึงไหนยากก็ไปเล่าให้กับผู้ที่มีประสบก า, ารณ์ผ่านมาแล้วจะได้รู้ว่ากำลังเป็นอย่างไรอย่างหีวงาท่านยาเข้าไปกราบเรื่องถุงมั่นอยู่ด้วยการที่ท่านได้สมาธิท่านก็ไม่ออกทางปัญญา สมมต้มันก็บอกสมาธิเป็นเหมือนเศษเนื้นเอเป็นเป็นเศษเนื้อติดฟันชิ้นเล็กๆไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อชิ้งใหล่พอท่านบอกให้ออกทางปัญญาก็พิจารณาจนไม่หลับไม่นอนท่านก็ว่าติดสังขารมุ่เกินไปถ้าไม่มีปุบาจารย์ก็จะไม่รู้ท่านติดสมาธิเป็นตีๆเลยแล้ก็คิดว่าตอนมนุษยได้ พราะสมาี่นี้มันก็เหมือนการนิพพานชั่วคราวเวลาติดกงนมมันก็มีสงบสบายอีกมีความสุขแต่เวลาออกมาสันผัดกบบยืดเสียงมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ถ้ามั่มีสติพอเข้าดีใจเขาไม่รู้ว่าเกิดอารมณ์ขึ้นมายังคิดว่าฉันหลุดพ้นแล้วฉันสบายแล้วพาะมนยังไม่ได้ไปแก้ปัญหาคือตัวความหลง ที่ทําให้เกิดอะไรต่างๆขึ้นมาอยังไม่ได้จเจรไปแล้วพิจารณาทั้งนี้ก็ต้องคิดาจณาไปเองยาตัดควา ม, มว่าถ้ามีผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยมันช่วยได้มากหนังสือนี่ก็ช่วยไม่ค่อยไา้เพราะบางทีหนังสือมันเหมือนกับยาในตู้เนี่ย เ, เราต้องการยามเม็ดเดียวแต่ไม่รู้เม็ดไหนมันมีเป็นตู้กันไอ้เราเรามีปัญหานะ บางทีไปกินยาผิดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ผลแต่ถ้ามีหมอมามาหยิบยาให้เป็นอะไรเอามาเนี่นี้ไปกินเดยอย่ น, นี้ก็เลยคู่าตทางก็จะเหมืนหมอหมอปับยาพอเรามีปัญหาอะไรแล้วหรือไม่เราอาจจะทิดาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นปัญหาจี่ได้ตาไปแต่พอเราไปเล่าถึงการปฏิบัติร้ายไปท่านก็จะบอกต่อกไปเลยว่าต้องทำยังไงต่อไปที่ทํามาแล้วถูกก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกก็ต้องแก้ใหม่ ถ้าถึงแล้วก็ต้องกล้าไปต่อว่าอย่างยังไปไม่ถึงจุดหมายการทางถ้าติดอยู่ตรงนั้นก็มันก็จะจะไม่คลืบหน้าต่อไปทางด้นมีกูบ า, าจายที่มีปร ะ, ประการควานเวลานรืงเป็ น, เ ป, นเป็นมีคุณค่าอย่างายิง่งพระเมรุนี้เป็นมรก จ, จารย์กูบ า, าจารย์เป็นที่เกิบกูบาจารย์ มีการติดพันสมาการแต่ก็ต้องตื่นเรื่อยๆไปถ้าอยู่ที่วันไปางางานมันก็จะถูกพันกับภารกิจทางวัดโดยไม่มีเวลาปกติของก็จะกลายเป็นเหอนพระอนุุนไปอยู่พอสมควรจะเวลาก็ต้องตึกนไปออกไปหาที่สงบขนาดอยู่ตามวันธรรมในภาวนาพอจะมีแต่ามันติดแล้วมันไม่เจ้าหน้าแนละ้วก็กลับมา หรือจะเข้าเข้ามาเข้าเข้าออกไอเรื่อยแต่มาไม่อยู่นานมามาฟันเทศสํานเทสมัยที่หลวงปู่มั่นอยู่ท่านน้อยสําว่าท่านเองจะาลปิโมกันหลวงปมั่นท่านที่ปฏิบัติอยู่อยู่รอบบรเวที่หงปมนท่านอยู่นะครับถึงสก้าันที่ต่างด้าวเดมาได้เขาจเดินมาทางปาิโเราะเวลาหังจากฟัน้าปฏิโน่เส้ว่มั่นต้อเที่ยวเที่ท่านงจะมาฟ ทำทำเป็นทุกขติดห้าหลแล้วก็ลับไปปฏิบัติไปทำไปทที่เหลือต้นแล้วก็กลับมาฟังหน่อยหวงพานึงที่อยู่ในวัดกับท่านก็ได้ฟังห่นหนได้ฟังขี้ท่านอาจจะอบรมทุกคืนก็ได้หรืสองสามคืนสักครั้งหนึ่งก็ได้ก็จะไม่มากนแต่บริเวณที่อยู่อยู่กับท่านเขาเป็นที่สำกัญได้ถึงไม่กี่ง มันจะดีมากๆแล้วมันก็จะไม่มเรื่อยๆันไม่สมดุลกต็ต้องต้ององจำกับว น, นของท่านเองสมัยที่ท่านอย่น่านต า, าก่อ่นี่ขนาดนั้นท่านล็อกะงประมาณ1ิดรื่นไปถ่ายตายแล้วพอเป็นลำดับเรื่อยกตาก็ต้องอยู่ไม่ได้ต้องออก ชาติลหลังท่านก็ท่านก็เพิ่มจำนวนไทยเพราะเห็นว่ามีผู้สนใจมากแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ให้ให้ให้การอบรมสังสอนนี้ก็ชราภาพอยึ่งไปมากมันก็มีน้อยอยึ่งไปแล้วก็เลยต้องรับภาระเพิ่มากขึนไปแต่คุณภาพเลืกอกคน มันก็อาจจะด้อยลงได้วยถ้าไม่มีจำนวนมากขึ้นมันก็มันก็ไม่สมเหตุมผเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็จะมีมีอิทธ่พนที่จะเดึงไปทางอื่นได้แล้วถ้ามีคนมากที่ไม่มีธรรมนี่ค่มักจะเดึงไปทางไม่ทางที่ไม่มีธรรมแต่ถ้ามีจำนวนน้อยแล้วมีธรรมะทางนี้ก็จะ ก็จะเดินกนไปในทางธรรมกันในเวลาท่านรับพระรับนงินท่านจึงต้องดูที่คุณสมบัติว่าฝ่ายธรรมนี้ต่อสนใจที่จะปฏิบัติธรรมสิ่งนี้มากท่านจะดูกิริยาทารดูว่ามีสติปัตยธรรมหรืนไมถ้ามีสติแสดงว่าฝ่ายธรรมอี่ยถ้าไม่มีสติแสดงว่าไม่ฝ่ายธรรมถึงไม้จะฝ่ายก็ไม่สามารถที่จะ ปฏิ <łość> <S 2> <S 2> บัติาถ้าทำอะไรแบบิดๆัวแบบตะเปตะปะไม่ไม่มีปฏิบัติการดูด้ยคันโยกเรียบๆเลยควาอเป็นกลา จะรื้องอะไรสามชั่ไม่ยอไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมตัดทรมานใจเวลาอยากไรแล้วไม่ได้ทาตามใจอยากทรมานใจไม่คิดาเสพติดนะิี่ิเล้า พอไม่ได้ไม่ได้ติดแล้ว ม, มันทรมานใจภาษาชาวบ้านเรืมันหลงแดงลแดงโดนมันทรม า, า น, นม า, านนก็คนท่งนอู่เยาีเดียวกันนะนี่ยก็คือว่าถึงต้องพูดยังนีแบบๆพยายามประทุงอยู่เรื่อยก็ยังไม่ยังไม่เข้าใจไง ังไม่ยอมขายตัวเอาคำถามนี้เลยครับ <tenía> ทั้ ง, งทังวิาอยากจะถามอะไรรลฟัง้เปคนที่บ้านจะว่าอากาเามไม่ยไ้นาว์บางท่านยังไม่ได้ยิน เรายในท่หลือพอสัญญานกมันก็นอสัญญานถามอะไรหมใหม่ดูิง้่ก็ได้งเน ทำามควรมสุขความสุขมันธรรมดาคุณดิฉันเนี่ยว่าว่าพี่นี่ตัวอย่วกันเลยติดตัว่างเดียงแต่ติดตัวอย่างเดียวต่ตัวคค่างเคียวมันตายได้มันจบได้แต่ธรรมะไม่ไม่ตายธรรมะนี่เป็นชางิคนถ้าจะติดอะไรให้ติดกับธรรมแล้วจะไม่ไม่เสียไม่ไม่เสียไม่เสียใจ เรจะอยู่กับเราเปสนตลอดของอย่างไม่ได้นะะเพราะว่าติดติดบุคคลนี่ไม่ดีนะนะพอตายไปแล้วก็ไป น, นไป น, าน่าเราเจะสใจให้ให้ติดอย่าไปสนใจบุรุษใตรเสนให้สนใจนะครับหลดท้านที่บุรุษไตรเสนเขาเขา่ามานามาให้กับเราแลเขาหยิด เปิดไม้มาเรารีบเปิดอ่านเลยอยาไปมองหน้าบริษใัทตรงนี้อยากไปสนใจติดท้ายต่อห้ า, หาบางแล้วก็ไปได้แล้วเอาไปธรรมะมาใส่ใจเพราะมันไม่มีอะไรมีคุณค่ามีประโยชน์ท้าปับธรรมะธรรมะถ้าระดับที่คู่ควรปรับใจอย่างนี้ อย่างอื่นนี้เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเราธรรมเท่านั้นแหละที่จะรักษาใจปกป้องใจงให้อยู่เหนือความทุกข์ทรมาร์ดส่วนสิ่งอื่นนั้นจะขับดึงใจให้เข้าสู่ความทุกข์เพราะพอเรามีสิ่งนีน้พอได้มีสิ่งอนนื่นๆนะเราก็จะติดกับสิ่งนั้น แ้วพอเสร็จนนั้นตื่นตายหรือหมดไปเราก็ต้องทุกใจเช่นร่างกายเก็ได้ร่างกายนี้มาเราก็ดูแจกันดูร่างกายแต่เราก็ต้องมาทุกขบร่างกายทุกทั้งทั้งส่วนที่เรามองได้เห็นก็คือภาระเช่นต้องอาบน้ำอาบท่าให้ใจค่าอาหารรับประทาน อยู่ยารนี้นมันเป็นภาระมันก็เป็นความทุกข์อย่างไม่ทําก็ไม่ได้ไม่อาบน้ำก็ไม่ได้ไม่อาบน้ำก็อยู่กับใครก็ไม่ได้แล้วส่วนความทุกข์ที่เห็นกันก็คือความแก่ความเจ็บความตายมันก็ชูอไม่มีร่างกายมันจะดิกวแต่เราไม่รู้ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใายนี้สามารถอยู่ได้โดยไม่มีร่างกานหรือไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเป็นเครื่องมือหาความสุขอย่างผู้ที่มีความสงบแล้วจะไม่ใช้น้างการนี้หาความสุขการรับประทานอาหารก็ไม่รับประทานอาหารนะกับคนที่ยังไม่ม<ๆ>ีความสงบคนที่ไม่มีความสงบนี้เวลารับประทานอาหารเรปก็ทานเพื่อความสุขจริง กินอาหานี้ต้องเลือกอาหารกินอาหารไหนไม่ถูกใจก็ไม่กินแต่คนที่ที่ ใ, ใจมีความสุแล้วเขากินอะไรก็ได้ตามใจตามเกิดได้อะไรมีอะไรก็กินเัมือนกันก็กินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อจิตใจเหมือนกับคนขับรถเวลาเติมน้ำมันรถมันไม่สนใจนะจะเป็นยี่ห้อไห น, อนก็ได้เป็นตาดาวตาช้างตาอะไรก็ได้ แต่คนคับนี้มันถือแคเรียกเพราะว่ามันถือเขามีพุ้นถือพุ้นในในในในยี่ห้อ น, นั้นอยู่เข า, าอยากจะไปเติมยี่ห้อ น, นั้นเรื่องของใจก็อย่างเนี้ยถ้าใจมันมีธรรมะแล้วมีความสงมีความสุขแล้ว <c oughs> มันไม่ต้องทุ่มตาทาย่างกานร่างกายจะเจียกขึในส่วนหมือนญาติโยที่อยู่ที่บ้านเขาไม่เป็นปัญหาอะไร ก็อยู่ได้อุูอย่างสบายอยู่กับความสงบนะไม่ได้อยู่กับกับอะไรแต่ถ้ายังยังติดอยู่กับรูปเสูยงกิเลสอยู่ก็ยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือให้หาความสุขให้พาไปที่นั่นพาไปที่นี่นให้ไปรับประทานให้ไปเดินสิ่งนั้นสิ่งนี้พอทําไม่ได้ก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าทําจไม่ได้ หักห้ามความอยากที่จะทำสิ่งนั้นสิงนี้อยากจะไปที่นั่นที่นีไ่ได้แต่ตัวเองไม่สามารถไปได้อยู่บ้านก็จะมีความสุเจ้าซ่องไว้อย่างมีความอินฉาอาจารย์มีความดื่มแต่ท่านมีความไหนแล้วจะมีแต่ความสุขจะไม่อยากยาไปไหนเวลาดื่มก็ดื่มเพื่อร่างกายดื่มก็ดื่มน้ําต่อปากก็ได้ไม่ต้องมีรสชาตอะไร เด๋รับประทานก็รับประทานเข้าไปถ้าจะรับประทานเพื่อร่งางกายก็กอย่างที่พระอยู่รูปหนึ่งที่ท่านจะาคุณตอกับมประวัติท่านเวลาท่านรับประทานอาหารทานท่านให้เขาเอาผักเอาถั่วเอาอะไรมาตำจนกระทั่งเป็นเหมือนกับที่เราตําพริกอย่างแล้วท่านก็เอาท่านก็ท่านก็มาเก็บเข้ า, าไปเพราะท่านไม่ได้กินเพื่อความขุ่ ท า, ทางการรับประทานท่านกินเพื่อร่างกายจริงๆ<ม>เหมือนกินยาเกินเข้าไปไมันเป็นอย่างนั้นเพราะใจท่านไม่ได้เห็นกับความสุขจากการรับประทานหรือว่าถ้าท่านยังมีท่านปจะทำเพื่อเป็นการกําหลางด้วยกําจัดเพราะถ้าทาําไปบ่อยๆแล้วไอ้ความสุขที่อยากจะได้จากการรับประทานอาหาันก็จะถูกตัดไปโดยสัญญา ว่าเราไม่ให้มันจดทางนี้อย่างาพระที่ท่านช้างในบาทจอาหารข้าวหวานท่านก็ใส่ลงไปในบาทหมดเลยแล้วไม่พอยังคลุก ม, มันด้วยเพื่อจะตัดไอ้กิเลยที่มีอยูใ่ในใจว่าอาหารที่นี่นั่นอร่อยอันนี้ดีต้องกินอย่างนี้ก่อนต้อกินอยนี้ทีหลังก <c oughs> ็เดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องอยู่ดีก็ให้มันรวมกันตรงในบาทนี้ไปก่อนเนี่ย นี่คือการการกำลาหรือกำจัดกิเลสที่มาเกี่ยวข้องกับการนักทานอาหารต้องทำอย่างนี้พวกเราก็ควรที่จะลองทำกันดูถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาหารก็เอามาเลยอาหารดีขนาดไหนก็ได้แล้วก็เอามาใส่ชามมาเดียวกันเอาตะลามาสักใบแล้วก็ใส่ลงไปคุก ม, มันเลยแล้วก็ค่อยคนมันให้เป็นเหมือนกับเองผัดข้าวผัด ก็เป็นอะไรได้มันก็ต้องเข้าอยู่ในท้องอยู่ดีเหมือนกันทั้งขาวทั้งหวานทั้งผลไม้ทั้งผักลองทอดูสิมันเราจะรู้ว่ามันโอ้โหนี่เราหลงมาต้องอย่ามันเหมือนกันรสชาติมันก็มันก็ยังเหมือนกันอยู่เพียงแต่มันรวมเล็กนยากกันทั้งนั้น เรี่ยวหวานมันเช็มมันก็ยังอยู่ในนั้นนะ่งมันไม่ทําให้ท้องเราบวมหรอกพอของมันก็ไม่ได้บวมของมันก็เหมือนเดิมตามที่ไปคุกมั น, นไม่ได้ทำให้อาหารมันเสียหรือบวมแต่อย่างใดแต่มันไปทําลายอารมณ์ความสุขที่เกิดจากกินรสมานนั่นเองอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่มีมาตราการหลังนี้ไม่ทําเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่คืบหน้เราจะไม่ก้าหน้า เราจะตักพวกวิริยะต่างๆที่คอยเหนี่ยวร่างเราให้ก้าวเจริญก้าวหน้าต่างไม่ได้เราต้องอาศาัยมาตรการเหล่านี้ครูบาอาจารย์ท่านทํา ม, มากันแล้วท่านถึงเอามาสอนพวกเราที่พวกเราได้ยินได้ฟังเนี่ก็เพราะว่ามันได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่จะตัดวิรนยะได้เป็น เป็นเครื่องมือที่จะทำให้การปฏิบัติขึ้นหน้าไนอย่างนี้เลยมไม่บาดชันนี้เดียวเนี่ยเป็นทุดงทวัตทุดงทวัตนี่ก็เป็นเหนือทําพิเศษเหมือเป็นน้ํามันพิเศษแทนที่ใช้เก้าสิบเก้าใช้เก้าสิบห้ามันก็จะรถก็จะวิ่งเรือขึ้นมีพลังมากขึ้น ถ้าไม่มีทุดงนี้ก็มันก็เหมือนกับว่าใช้น้ำมันธรรมดาถึง227นี้มันยังเป็นทำเป็นน้ํามันธรรมดาอยู่ถ้าใช้ทุดงนะนีมันจะเป็นน้ํามันจนิก้าวสุดามันจะมีพลังมากขึ้นทําให้รถวิ่งเร็วขึ้นคือ ท, ที่กุบาอาจารัาา่งปฏิบัติมาเป็นประจําก็คือขั้นช้างด้วยกับ อาหารต่างๆที่มีขาวหวานก็รวมฉันเข้าไปแล้วแล้วก็ปปฉันยือเดียวพอต่อความต้องการของร่างกายถ้าฉันมากกว่านี้ก็แสดงว่าฉันโชคเลแก็ ย, ยังติดอยู่กับรสชาของอาหารอาารนนกกิดงเื่ม ตรงใจพวกเราฟังล้วเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกมาติดธรรมะที่ท่านจะเทศนาค่ะฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ่ึฮึฮเข้าใจง่ายฟังง่าย แต่เพลงแว่าเราติดแฟร์เยอะบางที่ก็ยึดถูกเราแล้วเป็นกิเลสมากกว่าเรื่องการรับประทานก็รับประทานนิดเดียวแล้วก็คุกมันรวมกันถ้ายังเป็นปัญหาอยู่หรือถ้ามันยางจู้จี้จุกจิกยังเลือกอาหารอยู่ก็ต้องทรมานมันต้องต่ดมัน ทำไม่นานเราไม่ได้ทําไปตลอดพอทําไปจนทั่งมันไม่จู้จี้จุกจิกแล้วมีอะไรก็กินได้ถ้าวพลุกน้ำปลาก็กินได้ก็ถือว่าใช้ได้หรือว่าถ้ามันยังมีปัญหาก็อดอาหารบ้างทรับเมื่อเดียวแล้วบางทีมันยังมันยังอยากอยู่ก็อดอาหารสักสามวันห้าวันความอยากในอาหารนี่มันก็จะน้อยลงไปและความจู้จี้จุกจิกก็จะน้นอยลงไป อาหารสามวันนี้ข้าวปาวคุกน้ํปลาก็อเครืงด่มกตกาก็อย่าไปดืม่มเลยนดื่มกับ น, น้ำาปลา่าหรืมไม่ต้องดืม่มอะไรให้มันคิ้วกระหายเต็มที่เลยเหมืนจะตายเลยแลค่อยดตอนนั้นดืมน่มงาเปลาป่าๆก็งาเปลา่ปลาก็อร่อยต้ อ, องมันต้องมีมาตร ก, การกยาย้ากินมันต้องมันต้าเป็นแบบนั้น คือการทำกันแค่ทั้งวัอเดียวทั้งในบาทหรื่องอหารงั้นเราลอาไปทำดูบ้างทิศตะวันก่อนก็ได้วันน้ก็เดียววันเดียเรื่องอาหารเลยก็ได้ตอนน้จริงๆหดทั้งวัน อดในนั้นจะอดรูปถึงกลิ่นแล้วก็พังตาหูแล้วก็อดทางทางทางลิ้นทางทางจมูกไปด้วยไม่ต้องไปสัมผัสทุกอย่างเลยไม่ตายห ร, ร่างกายทานอาหารบางเดียวนี่ตายเรามีระเบียบจากแต่ไ ม, ม่ไร่างกายดูแต่เราบางคนอาจจะเป็นประโยชน์จะได้ทำไปน้ำหนักจะได้ลดลง คนทานก็ได้ดีขึ้นม่ไเป็นแบบกุมอยู่ตลอดไล้ไจะได้มีโค้งจะได้มีโค้งมีว้าวบ้างไม่ขาดหรอกมันมีอยู่เยอะแล้วมันมีเยอะแล้วค่ากิจการนครับเปิด เมอกันว่าก็คือไปไปภาวนาที่วัด ท, ที่หนองคายนะคะนีก็ช่วงวันแรกๆที่ไปก็นึกว่าจะสงบเหมือนที่เคยไปก็คือว่าจะทำวิธีที่ทตั้งใจว่าจะทำว่าจะจะพยายามดำรงสติจะสงบจะสมาะปรากฏว่ามันทำไม่ได้ มันทำไม่ได้จิตใจมันก็วอกแวกวุ track, ่นวายฟุ้งซ่านอะไรลูกก็เลยหงุดหงิดว่าเอ๊ะเราเคยทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ทําไมคนลูกคนนี้เขาทาได้ทําไมเราไม่นิ่งเหมือนเขา <c oughs> ก, ก็เป็นอยู่เป็นอยู่วันสองวันแล้วก็เลยมานั่งดูว่าไอ้ที่มันวุ่นวายเนี่ยมันเกิดจากอะไรในใจปัญหามันอยู่ที่ไหนทําไมเรื่องบางเรื่องเมื่อวานเราพอใจวันนี้เราไม่พอใจ เป็นเพราะว่าใจเราเนี่ยมันไม่ได้ดังใจทั้งท้ ท, ที่เรื่องสิ่งวัดร้อนมันก็เรื่องเดิมเรื่องเดียวกันก็นก็กนั่งค่อยๆ ค, ค, คิดเป็นปัญหาก็ก็ก็คบคิดปัญหาไปในในพ่อธรรมะว่าเราไปยึติกอะไรเร า, เ, าเราไปติดว่าเราเ ม, มีมานะว่ า, าคนนู้นคนนี้ไม่ถูกใจเพราะว่าเราคิดว่าเราดีกว่าหรือเปล่าเราค่อยๆคิดไปก็ก็ได้คิดว่า เพราว่าเรามีอาการว่าเรามีตัวตนถ้าเราไม่มีตัวตนใช่เราก็ไม่คิด mm hmm. ว่าเราดีกว่าหรือแย่กว่าคนอื่น mm hmm. ก็มันก็ค่อยๆ อ, ออกมาเคลียน์ก็หล mm hmm. ังจากนั้นมันก็เริ่มสงบลงบ้างแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่ที่เคยทำํำ mm hmm. ก็ก็คิดว่ามันคงจะแบบนี้ไม่ได้อื mm hmm. ก็เลยค่อยๆปฏิบัติต่อไปแบบแบบวิธีคิดคิด mm hmm. ปัญหาแล้วก็ค่อยๆสลับกับ พยายามจะเป็นลงสติแล้วก็สนุกสละบกันเป็นระยะระยะแต่ว่ า, า ล, ลูกสังเกตว่าถ้าจะเครียดเกินไปหรือว่าไปไปปักใจว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยสาเร็จอย่างที่เราคิดจ้ะค่ะก็จะมีทีนที้ถูกว่ะที่เราต้องดูปัญหาของเราว่ามันกําลังเป็นอะเป็นอะไรใจของเราไปถูกพันเกิด้รกับอะไร นอกจากว่าเรามีสติดีวัตบรรงานดีแล้วก็อาจจะถามว่าปัจจุบันเราอยู่กับปัจจุบันหรือเปลเราอยู่กับกรรมฐานโดยใดอย่างหนปะที่ไม่สงบก็เพราะว่าเราไม่อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่อยู่กับกรรมฐานโดยดอย่างนึ่เองถ้าเราอยู่กับพุทโธอย่างเดียวก็เลิกคิดถึงเรื่องต่างๆมันเดี๋ยวเดียวมันก็สงบแล้วแต่ใจเรามันชาบคิดมันก็ไม่มันเลิกคิดถึงเรงนี้แล้วถ้าจะให้มันอยู่กับพุทโธมันก็จะไม่ยอมอยู่ มันก็จะรู้สึกเพียดได้เพราะว่ามันยังอยากจะคิดเมา่มันอยากจะคิดเราก็ต้องมาคิดในทางทางปาัญญาอย่างที่เราวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลนี่ยแหละว่ามันมันต้องเป็นสมมุทายตัวใดตัวหนึ่งคือพานอยากในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยากจะให้เป็นอย่างนั้ น, น, นหรืเป็นอย่างนี้หรืไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นหีืเป็นอย่างนี้ต้องมีไอ้ตัวนี้อยู่หน้าน้นถะึงแต่ว่าเราจะหามันเจอหรือเปล่าถ้าเราหามันเจอแล้วเราจะได้ปรับใจเราได้ว่าอ้า เราปะหยัดทําไมแล้วเมื่อเขากําลังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ไปบังคับให้เขาเป็นอย่างอืงอ่นไม่ได้เราต้องปรับตัวเราทั้งนัเ้เราก็ต้องปรับว่าอ๋อเราเราวางตัวเราสูงไปก็ฝอเ่าเขาไม่อยอมรับความความความสูงของเราก็ได้เขาก็เลยต่อต้านเราเราก็ต้องปรับตัวว่าเราก็ต้องปรับลงมาให้ให้ในระดับที่เขา ที่ที่ไม่ไม่ทําให้ใจของเรานี้ยว่นวายคืเราก็ต้องปรับลงมาให้ต่ํากว่าเขาตัวยอมรับเขาเขาจะเป็นยังไงก็ยอมรับเขาคือปรับตัวเราจากเป็นเจ้านายี่เขาให้เป็นลูกน้องเขาถ้าเป็นลูกน้องเรารับเขาได้อย่างเแต่เลาเราไปทํางานถ้าหัวหน้าก็จะพูดยังไงเขจะว่าไงเราไม่กล้าหือเราก็เฉยๆเรานิ่งได้ แต่ถ้าเราเป็นทําตัวเป็นหัวหน้าถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วเขาเป็นลูกน้องเรานี่ยพอเขาไม่ทําตามที่เราสั่งนี้เราก็จะก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีดันันบาทีเราก็ต้องปรับตัวเราให้เข้ากับสภาพการจันทีคือเขาไม่เล่นเห็นว่าเราเป็นหัวหน้าก็เห็นเราเป็นลูกน้องเราไม่มีความหมายอะไรกับเขาแล้วเราไปหวังให้เขาทําตัวเป็นเหมือนลูกน้องเขาก็ไม่ทําตัวดังนั้นมันก็ทําให้เรารู้สึกวุ่นวายจัง เราปรับตัวให้หน่อยว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาที่จะไปให้เขาทำอยางนั้นทำอางนี้ได้ก็ปล่อยเขาทำไปตามเรื่องของเขาใจเราก็เหมือนกันมันก็ต้องมันก็ต้องพิงจารณาดูเวลาอากาศร้อนหนักๆไม่พอใจกับอากาศร้อนนี้ก็ก็เป็นปัญหาที่ได้ก็ต้องปรับใจว่ามันร้อนเราไปบังคับอากาศไม่ได้ มันร้อนกับหลมันน้อนไปแล้วก็ยอมรับกความร้อนมันก็หายมันปัญหามันก็หายไปตอมันสงบแล้วก็ขั้นต่อไปก็ต้องให้มันกลับเข้ามาทํางานกรรมฐานทันทีเลยเพราะว่ามันก็ยังสงบได้ลึกพอแลนเพแต่กลับมาอยู่ในระดับปกติไม่พุ่งซ่าแต่มันยังไม่เข้าลงสู่ความสงบนิ่งของของสมาธิ พอมันมันมันหมดปัญหาแล้วคเราก็ต้องเจริญกรรมฐานต้องภาวนาด้วยกรรมฐานบทใดบทไหนจะพุทโธใจก็ได้จะใช้อาการสามสิบสองไปก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ทาให้มันวิ่งก่อนเพราะถ้าเราไปพิจารณาธรรมยาในขณะที่มันวิ่งนี้มันมันจะไม่ค่อยเป็นธรญมยาะรับเรามันจะพิจารณาไม่ได้งานเดี๋ยวมันก็จะถูกกิเลส ลากไปคิดเรื่องตัวโดยที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยที่พูดเมื่อกี้นี้มันหมายถึงการใช้ปัญญาทำจิตให้กลับเข้าสู่สภาพปกติกกือ ใ, ให้หายหายกับหายวุ่นวายใจแต่ันยังไม่มันไม่สงบลึกเหมือนของสมาธิถ้าจะให้มันสงบลรถลงไปีนี้จะต้องใช้ใช้การใช้กรรมฐ า, านเป็นตัวกล่องใจ กรรมฐานได้ที่เราชอบ ก, ก็ใช้กรรมฐานนั้นไปสิพระก็ได้อะไรที่มันถูกจเจริญกำเนิดมาได้นี่นครับเจริญกรรมันจะโยนวนสงบสงบตอนนั้นเราก็จะสงบสบายบาใจอิ่มใจนี่พอออกจากความสงบนั้นแล้วคือเราก็จะมีกําลังที่จะเจริญไตรลักสณ์เริกำเนิารนะ่างกาจึงเป้าหมายแล้ว เ, เกิดแก่เสดจตายอยู่เรื่อยๆถอนใจอยู่เรือ่อยๆเหมือนกับเราท่องฉุดคูนให้มันถ้ามันติดอยู่ในใจเลยต่อไปเวลาที่มันจะคิดกลัวความแก่ทางเจ็บคทางตายมันจะมีไอ้ตัวนี้มาตัดได้ทันทีเลยกลัวก็ต้องแก่กลัวก็ต้องเจ็บกลัวก็ต้องตายกลัวทํางนกลัวแล้วได้อะไรมันก็จะตัดต่อไปความกลัวในความแก่ความเจ็บก็จะได้่อย ถ้าถ้าจำได้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงดินน้ำํำดิ่ไฟยังก็ยังไหวได้เมื่อคือเราแบบก้อนดินน้ำดิ่ไฟไว้ก้อนอย่างนี้ทุกวันนึงมันก็ต้องแยกทานไปไม่ใช่ตัวเราของเราคือมันต้องทําอย่างต่อเ น, นื่องจนกระั่ะงมันฝั ง, น ง, งในจิตใจเตึงแล้วเราเราจําได้ตลอดเวลา พอเราจำแนกจังหวะเวลาแล้วเราก็หยุดไม่ต้องมาทุกนนารณาแล้วเพราเวลาที่มันจะไปคิดไปในทางเกิดเมื่อไหร่ไอ้ตัวนี้มันจะเข้ามาเข้ามาหยุดทันทีบอกว่ามเป็นตัวเราตัวตั ว, ต ว, ตวไม่ใช่ของเราแล้วมันก็จะมาหยุดทันทีแล้วกระทั่มันจะไม่ไม่เกิดเลยมันจะไม่คิดว่าเป็นตัวเราของเราต่อไปมันจะไม่กลัวความแก่ความเสจ็บความตาย พา น, นั้นปัญหาเรื่องของทางร่างกายมันก็หมดไปส่วนเหลือส่ว น, ส, วนส่วนที่เรียกว่าสุกภาษินเอง ท, ท, ที่ยัยเห็นร่างกายว่าเสื่อมงานอยู่ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสุภาษิตเป็นสร้นางเสรินได้ยังหายใจหยุดต้งนี้พอหยุดหายใจแล้วก็จะเน่าพองอย่ากเปื่อยจะยุบสลายไปญาติาทางส่างกา พรณาอย่างนี้ไปแล้วก็ต่อไปก็จะไม่เห็ความสวยความางามในร่างกายก็จะไม่มีความอยากที่จะมีความสุขกับร่างกายต่อไปเป็นกบฏขันาไงร่างกายทีนี้มันก็มีกัญชาทั้ทางด้านความรู้สึกนึกคิดในจิตใจทียังรู้สึกคิดไปทางอัตตาตัวตนอยู่มีมานะอยู่อย่างนี้คุณต้อง เรายังยังติดอยู่กับความสุขที่เราเอียด้ีอยู่ในใจอยากได้มันชั่วลตลอดแต่ความสุขแบบนี้มันก็ยังเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนได้สึกแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปได้ก็ต้องปล่อยความสุขแบบนี้มันจะเป็นสุข้างไม่สุข้างก็ให้รู้ตามความเป็จริงตัวไหนที่สุขมันก็จะหายไปอารมย์ยมันก็จะว่าไม่มีอะไรอยูอย่ อันนี้แบบมันจะเกี่ยวความสุขที่แท้จริงที่อยู่ใต้ามสุขที่ไม่แท้จริงออีกชันอันนี้เป็นความสุขที่เกิจากความนิ่งสงบหเกิดจากกางป่อยวาส่งต่างๆทั้งหมดอั้งภายนและานอกก็ที่เรื่อเกี่ยวกับรูปสิงจนเกี่ยว ก, กับร่างกายภนั้นก็คือความสุขที่มีภายไนส รไม่ม่ไม่ไม่ยุสขเกียติครับคล้ก็เปองนี้แล้วมันก็มันก็จะหายก็ยแล้ความว่างความว่างที่เป็นไปด้วยพลาังจับขังเราปฏิบัติมันก็จะขยับจากข้างนอกเข้ามาข้างในป่งข้างนอกตึงจะเข้าข้างในได้แล้ ว, ลวก็ต้องฝล่อยเรื่อยๆจ น, นวัด ปล่อยลากเยอแล้รจจัดงานส่อยอรต่งางๆอย น, น, น้แล้วก็มาปลอร่างกายปร่อยเลืออะไรต่าง่างกันอะไรอยา่อยางแล้วก็มาแต่ความจิีมีจความจิตความสว่างสวาของจิตเนะี่ยมันก็ยังเป็นตัวนได้เพียง ยังเป็นนิจจังทุกครั้งนับไปาปล่อยจวนี้นับจ น, น, นี้มตาตกก จ, จาหายไปหมดเลยมันก็จะทุกคราวว่างเรือเรืองอันนี้ไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปทาอะไรเลยมันก็จะมันก็จะว่างมันอยู่มันตลอดเลยไม่เปยนแปถึงตรงั้นมันก็รู้ว่าจ บ, <ล>จบแล้วจบแล้ว จกลงหนังได้แล้วติดเครื่องได้แล้วไม่มีอะไรให้ดูต่งแล้วที่ท่านผู้สิทธัง่รรมจักรเมียงกินในธรอมจรย์นี้ได้พุ้งจุดล ง, งแล้วจิตที่จะต้องทำมากไปกว่า น, นี้ไม่มีจล้จาจะทากฝ่ายรรป็นจิตนันอแล้วก็ ให้เวลาการทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็ออออฟั่งให้มากศึกษาให้มากแล้วก็นําออกไาเป็นไปปฏิบัติทั้งนั้นเอาเวลาที่ไปใช้กับส่วนเองมาใช้กับการฟังธรรมใช้กับการปฏิบัติธรรมแต่กระทั่งแม่มีเวลาให้กับอย่างอื่นในตอนเวลาให้กับธรรมอย่างอื่นเท่า น, นั้นถึงจะได้ผล ถ้ายัางสองจิตสองใจนักพี่สียาจน้องอยู่เดี๋ยวก็จะไม่ได้ก็สั่งอย่างเรียนเรือเรือเรือสองแคว์สองแครหรือว่าจบงานเยอะเยวเรือสองรำ ม, มันยากกันลังกําลังต้วงเวลาแก่มันก็จะเป็นตันวแก่แล้ว ปฏิบัติก็ปฏิบัติได้หน้เาเที่ยวก็เที่ยวแน่ๆมายุ่งจะทำอะไรก็ตกน้ําอยู่ในน้ำของความทุกข์ของความเข้าช้อยน้อยเหงาว้าเวรเปล่าเปรี่ยวใจดูคนที่เขาเคยมีความสุขกับทางโลกแล้วพอเขาแก่เขาอยู่บ้านเนเดือนเขาเสื่อมเศร้าให้มีความสุขแต่คนที่มีธรรมะนั้นแก่ขนาดไหนก็ท่านก็มีความ ส, สุดทา้ายท่านหัวเราะยินน้มได้ตลอดเวลา เรื่องเราจะเป็นแบบนะั น, นแนะแตกแบบขอทรงกับ้า น, น, นเมือนกันคือพอดีว่าหนูมีปัญหาของบางที่คือพยายามจะแยกกาลายสมาธแทกสมาคือคือนิ่งแล้วะคะแต่ก็เดิ น, นรทรงคงแทเนรงคนีงงคนนจนจน่แล้วก็พ ย, พพพยายามที่จะแยกิดกัคือากกา เแล้วมันก็นิ่งปัญหาอีกแล้วมันก็เราก็ถานตัวเองว่าลอาเช็คดูว่าใช่หรือไม่ต้องตัดขาสักข้างหนึ่งแล้วก็ต่างติดกันยืนอยู่ต้องการจะติดกันตรง่งตัวแ่ถาตัดขาสองข้างไปเรื่องๆเป็นมาครึ่งตัวจิตก็ยังอยู่ตัดมือสองข้างจะเหลือแค่ครึ่งตัวแบบคนที่ตารก็จิดก็ยังอยู่เจอถ้าตัดคอมันก็เสียวแต่ว่ามันก็รู้สึกติดก็ยังอยู่เราถามตัวเองว่า มันไม่ตายแต่จะไม่แน่นอนมันไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่พอถึงเวลาก็เลาให้เลื่อนฝังเพื่อนที่เขาเป็นเขาเรียนในทิทางโลกว่าถ้าอย่างนี้เราจะตายไปพวกที่มีร่า <c oughs> งอยูก็เลยมาถามปัญหาว่าหนกที่นาติดหรือเปล่าการที่เจราไม่ได้ไทําให้มันไม่มีรนะ่างและการมีร่างก็มกไ ม, ม่เหมื ของพระกุตจ้าพระอร ห, หนันต์ท่านไม่มี ร, ร, ร่างกายของท่านเป็นร่างกายสิดทานเมร่างกายของท่านตายจะไ้ท่านไม่ไปหาล่างมาแล้วทานไม่ต้องกลัวเรื่องมีล่างมีร่าไม่เป็นประเด็นสำคัญ่บอกว่าจะเกิดไม่ไง้ัล้นลเดี๋ยวเช่อพอต น, น้แล้วมันจะหาที่อยู่ไม่ได้ เ, เ, เดีย๋ยวเราทำชีพหรือเปล่าเราฆาเราทำดี่ล้วไม่มีร่างนะท่า้าป็นต้องการร่างกายนะเพราะท่านเห็นด้วยตัญญาว่าร่างกายนี้เป็นกัปดะ เป็นกองทุกเป็นเหมนกองไฟเอามาทาอะไรเอามาให้ติดใจรุ่งย้อนต่างๆรุ่งย้อนกับความแก่ความเจ็บความตายรุ่นย้อมกับการต้องคอยเลี้ยงดูน้นไม่มีร่างกายที่สบายใจสงบใจใจที่มีความสงบยิ่งไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องการท่างกายแต่ใจที่ยังไม่มีความสงบไม่เลยดจึงจะหลอกว่าร่างกายมีสําคัญมาก ตาต้องดีผ <and> <ligen> ูต้องดีจะได้ดูจะได้ทําได้ร่างกายจะต้องแข็งแรงไม่มีแรงก็หายามกินแต่ถ้าเก่งเราก็พิจารณาย่งนี้ได้อยู่เก่งเรายังพิดารณาอย่างได้ถือว่าเนี่ยต้องการปรับร่างกายให้มันหายมันไม่เอาไปเผาอย่งนร่างกายเป็นที่เท่าไปเลยถ้าเป็นอ่างนอมันจะได้เห็นว่าอ๋อเนี่ิตนี่เป็นกับร่างกายเป็นตัวตัวเอง เวลาเห็นร่างกายเจอนร่างกายที่ิกรได้เนะครับาปล่อยวางไ้้เกิดการ์จริงๆใจล้วก็จะเฉได้ค่ะหลังเรื่อยๆเราิการ้อไปถูกเข้าจับตจับตัขาอจจะเป็นอามาตยอาจจะเป็นเบาหวงเบาหวานนาต้องตัดขตัดก็ตัดไปิก็ยังเหมือนเดิมอย่ิก็ไม่ได้แหวกเลยตามตามขา เพราะการปฏิินคนละอย่ความสุขของจิตก็ยังมีอยู่ทำจิตให้สงบเมื่รมันก็สงบไหมหรู่หน่วงตาบอดจิตมันก็ยังสงบได้ยังทุกหนได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายขึ้นอยู่ในอริยสัจสี่ถ้ามีสมุทัยมันก็จะมันก็จะสงบขึ้นถ้ามันมีมรกมันก็จะมีสุขมีที่รอดที่เราพิจรารณานี้ก็เป็นการจเจริญมรรค จะเป็นการเปพิจารณาอริยสัจทอดที่หนึ่งคือเกิดแก่เจ็บตายการตัดแขนตัดขาเรื่องนี้เป็นเรื่องของแก่เจ็บตายนี่เองนม่ใช่เรื่องของอะไรคนที่กลัวไม่กล้าพิจารณาเรื่องเหล่านี้ะจะเป็นคนที่มีปัญหาพอเวลาเหตุการเกิดขึ้นจริงๆร่างกายแล้วจะรักไม่ได้สมัยไทยจะเกิดขที่จะเกิดข้ามกลัวคือวิทวัสตังหากลัว กลัวที่จะถูกตับแขนตัดเานี่กลัวจะกระทั่งอาจจะฆ่าตัวตายไปก่อนแต่คนที่คนที่พิจารณาเรื่อยๆแ ล, แลเมื่อถึงเวลามันจะเป็นไงนก็ให้ปล่อยมั้เป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้สละอวัยวะจะรักษาชีวิตให้สละชีวิตจะรักษาธรรมธรรมเมือเนักษาจิตนี่รักษาจิตให้เราเป็นสัพพิติตให้สงบให ให้เรียนให้ตลอมันต้องทางกันบ้านอยู่เรื่อยๆต้องฝึกไปเรื่อยๆจอกระทั่งมันไม่หวันห่นไหวก่อนไปหลังจากร่างกายเรียบรนอะ ไ, ไม่เป็นปัญหาแนะรู้เางที่อยู่ใจางว่าปล่อยได้แนละ้วเรื่องขอ ง, ของความเจ็บความจวดทางตาจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่คนเดียวตรงนั้นก็อยู่ได้ไม่กลัวอะไรอย่างมากก็แผกใจ ตายก็พิดนานตลอดเวลาตอนนี้รู้สึกนึกถึงปิดนาว่าร่างกายพอถึงตามันจะแปรเปลี่ยนไปถึงแม้เราตายเราก็ไม่สามารถที่จะมาคั้นฉันมันได้ดิงน้ำลมไฟนี้ก็เป็นไปตามธรมงมันเหมือนกต่มันมันไม่รู่ใครสอนแต่มันก็ไปไปของมันไปเรื่อยๆธรรมมันมีควมันเข้าไปในอาจารย์แล้วมันก็จะสอนเราไปเองปิดนานไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะมันก็จะเป็นเหมือนเชื้อที่ติดไฟมันก็จะมันก็จะทําหน้าที่ของไป เพราะมันมันรู้ว่าถ้าปล่อยกิเลสทำหน้าที่แล้วมั น, ม, นมันเผ า, าจากเผาผลาญจิตใจเราธรรมะก็จะมาดับกิเลสตอนแรกนูเอาเอาที่ท่านที่ท่านอาจถามอาจารย์ว่าปฏิบัติอย่างไรในีน่ตอนที่ไปปฏิบัติทำครั้งแรกแล้หนูกดไปด้วยแล้วหน <c oughs> ูทาตามที่อาจารย์สอนนีเสียเลยไม่จิตตรงหอกน้องนี่รู้สึกดีมากมากค่ะคน <c oughs> ละยานดีมากมากจิตต้องเข้าในถึงเป็นมา ติดออกข้างนอกเป็นคนไทยหนึ่นหนึ่งท่านสองท่านสั้นเลยอาจารยอาจารย์ทีจารณาที่ว่านี่หมายถึงว่าการซ้อมจินตนาการให้เกิดขึ้นเกิดแก่เจ็บตายคิดอยู่เรื่อยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นฐานทางสมาธิไม่ดีเราก็ทําได้ใช่เพียงแต่ว่ามันจะทำไม่ได้ต่อเนื่องทำไม่ได้มากพอแต่ก็ต้องทําไปได้แน่ ก็ทําแต่มันจะมันไม่ได้มันไม่ได้ผลเป็นกอรอบเป็นกรรมเหมกับหลังจากได้สมาธิแล้วหลังจากได้สมาธิแล้วนี่มันจะทําได้อย่างอย่างอยงต่อนื่จนกระทั่งมันฝังเล็กอยู่ในใจเราถ้ายังไม่ได้สมาธิมันทําได้แป๊บหนึ่งดียวมันก็หรือไม่ได้ทํารอกคิดว่าจะทําแต่พอถึงเวลาทํำจริงๆ้องถานตัวเองดูเราจะาิจริญระมัดหมายถึง พอแล้วพิจรารณาก็ไปดูทีวีไปก่อนก็มาแา่ภาพชัดๆอย่านี้ถ้ามันไม่มีสมาธิอะไถ้ามันมีสมาธิแล้วมันไม่ไปแล้วไม่ไปทางทางวิสิงห์จริงเลยเห็นใครว่าถเนีาย ไ, ไม่มีสมาธิคนนั้นก็อยากแสดงว่าตัวเองก็ไม่มีสมาธิยังไม่เห็นคุณค่าของสมาธิ หุวงปูมั่นเวลาทำฌา น, นหลวงตาทั้งแรกตอนที่หลวงตาไปข อ, อยู่ต่อต้านหลวงปูมั่นก็สอนาานะว่าความรู้ต่างๆที่ท่านได้ศึกษามาเมื่อดับมหาประเรณ์นี้ในเมื่อมันประโยชน์กับจิตใจเป็นตัดจิตไม่ได้เพียงทาให้จิตสงบไม่ได้ท่านต้องพยายามทำจิตให้ท่านสงให้ได้ก่อนเอาความรู้เหล่านี้วางไว้บนทิ้งก่อนไม่ต่อมาความรู้เหล่านี้มีประโยชน์แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ ถ้าจิตมีความสงบด้วยไรแล้วความรู้เหล่านี้มันจะเข้ามาประสานอย่างที่พูดนี่เลยมันจะทําหน้าที่ของมัน ท, ทันทีแต่ถ้าไม่มีความรู้หลังนี้อยู่มันก็จะไม่มาแต่เราเตรียมไว้ก่อนนี่เตรียมไว้ก่อนแต่เราต้องเราขาดอย่างเดียวก็คือความสงบพอมีความสงบแล้วนีน่ความรู้เหล่านี้มันจะไหลเข้าไปในใจ ท, ทันทีเข้าไปปาดกิเลสปาดสมุทัยที่มีใน ใ, นใจทันที แต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีไม่มีปันไม่มีธรรมะที่จะเข้าไปแต่ตอนนี้ในขณะที่ทำจิตให้สงบนี้ขอให้เรียนเรื่องความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนมาในขณะที่ทำจิตให้สงบนี้ให้มีรู้อยู่อย่างเดียวจะรู้อยู่กับกรรมฐานอย่างในอย่างหนึ่ทงทำนั้นจะเป็นอนาณาปณะสติอภิปภะกรรมฐานอรณาลุสติหรืออาการสามครุตรกายยกคาาสติทานี้ได้ตรงนั้น แต่จะเป็นอุบายของการทําจิตให้สงบให้จิตนิ่งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทั่วกลาง <c oughs> พอออกมาลัทธิเนี้ยมันจะคิดอะไรทางด้านปัญญานี่มันจะเป็นเหตุเป็นผลมันจะมุ่งไปสู่การดับกิเลสอย่างเดียมันจะไม่ได้คิดเพ่ออยากจะสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แบบที่เป็นอะไรอะไรนะ คําถามที่เป็นอาจินตายแต่สานจะไม่ประสนใจฐานปัญหาเหล่านั้นนะว่าอะไรมันมีอยู่สี่ ท, ที่เป็นอาจิมตายเรื่องของกรรมทํากรรมอะไรมาเนาถึงนี้เป็นอย่างนี้ไปตกระเบียนําเดียวกันเพราไปไปทํากรรมอะไรมาร่วมกมันที่อเป่าอันนี้มันเรื่องเรื่องของอาจินตายมไม่เกิดประโยชนกับจิตใจของเราจิตใจของเราอยู่ตรงเนี้ยอะไรเพียงทําให้เราทุก แล้วอะไรที่จะดับความทุกข์นั้นได้จะเป็นใจแค่ตรงนั้นพอมีสมาธิแล้วมันจะจิตมันจะเป็นบาตรสมาธินี้จะเป็นบาตรฐานของของอริยสัจสีจะเห็นอริยสัจสีทันทีถ้าจิตเริ่มสงบนะพอจิตสงบแล้วพอกิเลสเริ่งทำงานทุกข์จะเริ่มปรากฏขึ้นมาทันทีความสงบที่มีอยู่จะหายไปทันทีจะรู้ทันทีในใจทันทีเลยมันจะรู้อยู่ภาในใจอออริยสัจสีนี่มันไม่ได้อยู่ที่ไหน มันอยู่ในใจเราเลยแต่ตอนที่จิตไม่สงบนี่ไม่เห็นเพราะมันมีเรื่องอื่นมามากรบเหมือนกับเสียงนกเสียงอะไรพวกนี้ยถ้าเราเอาเครื่องปั่นไฟมามาติดมามเครื่องขยายเสียงว่าตัวนี้เสียงนอกตัวนี้หายหมดมันมีอยู่แต่เราไม่ได้ยินเพราะเสียงอื่นมันกรบไปหมดพอเราติดเครื่องเครื่องปั่นไฟปิดเครื่องขยายเสียงหมดเนี่ยอย่างที่เรานั่งอยู่ตอนเนี้ย เสียงนกเสียงกาเสียงจิ้งหลดเสียอะไรแล้วง่ายๆก็ได้ยิทันทจิตก็แบบเดียวกันจิตมอไม่เห็วอรสัสแล้วรู้เสียงเสียงแ้ต่างๆมันมากบมามาบังนั่นเ่งเรื่องราวต่างๆความคิดปรุงต่งมันมาดบังนั่นเนง้องไม่เห็นอริยสัจสีพอจิตสงบแล้วถ้ามีสติหันมาดูที่จิตอยู่เรื่อยๆจะเห็นทันทีเห็นอริยสปรากฏขึ้นมาทันทีเวลา เกิดความอยากขึ้นมารู้แล้วอ่อนทุกแล้วเนี่ยทุกเพราะความอยากนี้มันก็จะตัดความอยากไม่ได้ตัดเนี่ยไมมันเป็นจะเป็นตัญยานญยาที่ตัดเกลี่ยได้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามีสมาธิเป็นเป็นพื้นฐานก่อนแต่การคิดอะไรนี่ในบางเรื่องก็ต้องคิดไ้เพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริ่นเหือเราทํางานนี้เข า, าต้องสอนเราก่อนใช่ไหมว่า ในตอนีนี้ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เราจะต้องทําอย่างไรแต่เราก็ยังไม่ได้เจอเหตุการณ์ริงแต่เราก็ต้องรู้ไว้หนุงหน้าก่อนพอเวลาเกิดเหตุการณ์จริงจะได้ทําได้ทันทีก็เหมือนกันในตอนนี้ที่เราจะแก่นี้เราจะทำอย่างไรเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหมอรักษาเราไม่ได้ยาทำอะไรไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องมาต้อนรับก่อนแล้วก็สามสามวิธีปฏิบัติการเวทนาทุกเวทนา ความเจ็บปวดของร่างกายก็ร้องไปทําจุตให้สงบให้นิ่งนั่งไปมัาจะเจ็บสะปวดยังไงก็ปล่อยมันไปอยา่าไปสนใจอยา่ตออยาตระแหน่ถ้าไม่มีความอย่างให้มันเป็นอย่างองื่นแล้วความทุกข์ในใจก็ไม่เกิดขึ้นความสงบในใจยันจะคงอยูย่เหมือนเดิม้ามันจะทนรับกับความเร็บของร่างกายได้อย่างสบายพยายามไม่ต้องท น, ม, นมันก็เพียงแต่รับรู้เท่านั้นเอง เขาซ้อมไปความตายก็เช่นเดียวกันแล้วเขาซ้อมตัดค อ, อตัดแขนตัดขาเอาไปเผาเข้าขไปในข้อหลังนมันจะเฉยเฉยมันไม่กลัวเหมือนเมื่อก่อนออขั้นต่อไปถ้าเราไปหาที่ไหนนี้ใกล้ๆกับท้าทายต่อตามตายดูบ้างหรือว่ามันยังกลัวอยู <c oughs> ่บ้างใชไหถ้ามันยังเร่งเหมือนเดิมก็สแสดว่าสบาย แ, แล้วเรนเป็นขคน ต้องหาห้องสอบเพื่อทดสอบติดกัน้วสอบปัญญาที่เจอมูเข้าไปในจนี้สุดท้ายมูปีาร์6เมตเข้าไปสิจุดนี้เนการทดสอบนะครับอนนี้เามาทางนี่ค่ะห้องวัดมันก็มีมีมูนอนอยู่ใต้ใต้ำมาทำการจึา แต่ไม่เป็นไรครับบ้านของเขาเขาีนเขาไม่ไม่รู้อะไรเนี่ยเขารู้สึกมันกลัวแต่พอเราเริ่มรู้แล้วลรกลัวก็แดงว่าอะไย่างอย่างไม่ยงไม่สอย่กลัวความตายกลัางวงงอเราเรียนแล้วว่าตายก็ตายแว่เราจับยัลไม้ว่ากับรับยแล้วก็ซ้อมเอาภาพนี้มากับาันเรื่ยแล้วก็ได้เรื่อย เราตลัวอะไรเราก็ต้องแก้ัวน้แต่ขนาดมันคุยตอนเริ่มเริ่มนลัวแล้วเวลาเรานก็จะไม่ื่อถ้าอย่ัวนั้นถ้าเตัวนั้นก็จะไม่กลัวเพราเราลุ้นกัางูไงมันก็หนุนคั่วไปแค่ว่าตัวนั้นตัวนี้ก็ต้องเอมันหายแต่ปัจจุบนก็แบบนี้นะมากหลายนาทีจะทำให้เรารู้ว่าโอ้คิดหน้าคิดหลังคิดไปตลอดถาเราไม่ตื่นแต่งมันจะแค่งเลคิดวันจะี ก็ขึ้นหน้ามานเยอะนับาเลยจะไิัชนการท่านผ่านั่งขัดหวันหวันเราเริ่มตั้งแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงเพิ่เป็นครึ่งชั่วโมงทรึ่งชั้งไปเ่จนันวันวิสาขาท่านบอกวนนี้ต้องเักษาไปามชั่วโมงก็ทุกคนก็พยายามทาท้งวันทั้งวันหนอ่านองท่าสมาธิอย่ไปฟังคนที่ละว่าสมาธิเรื่อยๆ เรี่รรมาสมที่เรื่องธรมะแบบเร่รรมะามที่ธรรมะไปไิตอาสาเรื่จิตธรรมี่เรื่องธรรมะเรื่องสม า, มาีิต่างอ่างทา ง, งจิงงจงงงตภาวนาก็มีสรรมะภ า, าวนาหรืาาาอภ า, า, าวนาภาวนามันจะไปลดลางคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงน้อยคือการประทำที่ตามหาอยานีาติดให้สบ มันมยืนยัน อ, อย่างนีมันมจะมีข้อที่มาหักล้วได้ยังไงอย่างาที่สนใจคนที่ทำตลาดที่น ไ, ได้ก็บอกวาไม่ต้อ <c oughs> งทำที่ทำตลาได้หรือในเรื่รองในเรื่องมาเรื่องในบางค น, นเขาไม่ต้องมีเพราะว่าเขาดีแล้ว คือเขา ม, าาม่ น, น, าาาา น, มานั่งส า, งสงงาสพ์ันนี้นะเป็นเพราะประโยชน์วัดคเวลาพระพจฆาตแสดงธรรมท่านก็ไม่ได้ฝอนก็นั่งสมาธิทำการแสดงอริยสัจสิน้องเขามีพลานุชิทุกคนมีเท่าๆกับคนแสดงเว่าะศิษย์ชายในคณะเดียวกันได้ฌานได้สมาพีเท่ากันแต่ไม่ได้รับคุณปัญญาไม่ได้อริยสัีสเพราะ น, นั้นคืาขั้นอนแต่รยสัจส พอสออริยสักสิบก็มายุ่เนี่ยเ<ม>พราะทมีอย่แล้วสิ่งก็มีแล้วสติก็ ม, ม, ม, มีแล้วสมาธิก็มีแล้วไม่มีปัญญาที่จะมองดูอริยสัจที่มีอยู่ในใจน่องเพราะทุกอย่อยู่ในใจเกิดจากความตยันหลักการเงั้น นในเวลานะที่เราไปยุเรื่องความเกี่ยกับคนนั้นคนนี้คือต้องบรรลุในในที่ไม่ต้องทำอ ย, า, อยากไปชี้ว่าขาไม่มีนะมีแล้วลก็จับกันมากแล้ววันะอ็งวิ่มานี้ว่าแตนน่ฆาคนต้นองฆ่าร้อยเก้าสิบเก้าคนยังบรรลุได้แล้วพวกเราก็ไปฆ่ากันให้สบายแล้วก็บรรลุได้เอาเอาเอาเขา้เข า, เขาไัวอย่างได้ไมันได้แต่เมืเ่อไห่ทีัดสคน แต่ละคนมีความเป็นไปเป็นมานไม่เหมือกันเราต้องดูตัวเราเหักว่าเราเรากาลังทำอะไรมันไม่ดีอะไร เ, เราเป็นทำจริงหรือไม่ริถึงเราพบที่มันไม่มมไดีอะรลาภไมาวที่เราทาได้แต่่เลยเรื่องหวงังเสียดายสมบัตที่มันชื่อหรือนัน้นนนนทงทั้งที่เราไม่จำเป็นจะต้องอาสายล ย, เ, ลยนะเก็บไว อะไรที่ทำเป็มะเกลืไ hmm. mm ้ห hmm. ้าตเก็บแต่ที่มาทเป็นเกล่เป็นกะอขลเลยนะเกลัอนเห็เป็อย่าให้เกีืองเราเพรว่าถ้าเรามีนะเกลือเรามีนะศาสนาเรามีนะี่ปัสสนาเลยมันก็เป็นัสนาเลยอย่างี้โดยใันี้นะโดยในั้นนะเป็นอะไร่ป็นอะไรรา มันเกิดจากความคิดสุณแต่งินาการมันไม่ได้เกิดจากพื้นฐานของคว า, ามคินของจิตนึกเป็น่างไรวจะวิาความคินของจิงตก็กิ ว, ว่ามันเรื่องมันตก เ, นเรื่อนไหมเวลามีความปัจจัอะไรนันมั น, เ พ, น, ม เ, น, มนเพื่อนหรือเ่ามนกใจหรื่ามันหวกหืเอเปล่ามันผิมันอยากตะปายหรือ่าใตัวนี้ตางเป็นเัล้นไม่ใช่ตัวจิตนาการ่างไป ฟังใจแล้วเพราะว่าเราได้น้นานก็เก่งเราก็มีนกัญญาเราก็เรา่าบ้ันเราก็ไม่สงสัย่แล้วก็ไม่สงสัยว่ากที่เวลาาสงรสงว่าาม ไม่ได้ทำรักแต่ทำมาคุยกันงงโอ้โหเีนกันแบบปากเสือปากจิ้งจกนั่งตรงนั้นหาํากันแต่หน้าดำข้างเพี้ยนเอาแคร่ชนะกันได้ด้านบดูที่นี่โลดดูตรงั้นดูที่การเป็นของทางนี้คองจิตจตตวัตถุ ยิ่งโลกกเกิดก า, ารตระ ห, น, ห, รรรห น, รนักมึนของจิตนะยิ่งโไม่มีกาสุกาหยอนวม่มีกกความงินวารวความเงินต่าในจิตในใจว่างรทางต้าที่ว่างปาจเลด้วว่ า, า, าง อันนี้ก็พูดยาวไงมีปัญหาไหมก็ไม่เล่นก็เดี๋ยวถลาสองก่อนอันนี้โดนต่อถลับหลายต่เจ้าหน้าที่ยทำงานไม่หยุดก็ได้นะ มีโยมคนหนึ่งมาฟังเทศน์อาจารย์สครั้งทานป่าบอกว่านนี้ขไปที่บาาอ๋อันเยอนะเนาคจะเตรียมตัวให้าแล่บครัครััใจเวัเขาบอกรงองเองรู้สึกอายที่ส่งมา้ ดีขนาดไหนจับตรงไหนคงจำเยคงเลจะรอให้ใครมาช่วยที่ต้องการใการตัดสินใจให้ไนั้นมั่นใจว่าทางวิศวกรรม ปฏิบัติรมากกุกมันมีความจุดกำิรมันทถ้าเราไปทามวัาแล้วไปอยู่าัันหมือนกว่าเราต้องไปทำกิจกรรมแต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยไปปฏิบัติไที่อยูดีกว่าการผมี่ว่าถ้าได้ด่วนแล้วอย่างก็ตัดปัญหาเรื่องภาระของการล้ยดู็คนหนึงเลี้ยงดูเรา เราตั้งใจานไ้กได้ไเอ่อเ่างหรืออะไรเคือการบวชที่แท้จริงก็คือการแตไม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าถ้าเอื่อการปฏิบัติจะดูาไม่เอื่อก็นที่จะเลี่ยที่ไม่จับ เรื่องบวชน่าบวนี้มันขึ้นมันเกี่ยวว่าเรื่องรายละเอียดติดย่อยของแต่ละบุคคลบวดได้มันดีกว่าคือเป็นผู้ชายนี่มันมันมันต่างกันที่ผู้ชายนี่ยหาหาหาวันดีๆได้มันก็สบายใจได้วันวัฒนธรรารนั่นสมาธิด่อนเนี่ยตดย่อยแล้ กูก็ดีสถานที่ก็ดีก็ปัจจัยส่วนจะสบายความทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองเยว่าจะถ้าเปนขับรถก็เหมือนกับอยู่บนทางด่วนนะจะเหยียดเท่าไหร่นั้นเองไม่มีอุปสรรคอะไรนะทุกอย่างแต่ผู้หญิงนี่มันอาจจะลําบากหาตำแหน่งนี่ก็ลําบากถ้าคุณแม่แก้วอยู่นี่ไปอยู่ตำแหน่งกับท่านก็ได้ก็น่าจะดี ้ต้องหาสำนักจากมันก็ดีอย่างมันไม่ต้องมาทนเรื่องก า, ารทำมาหาเงินเรื่องสายมันจะได้มีเวลาพักผ่อนการมาลาคะความพอใจในรูปรสีเสียงสัมผัสการมาลาคะการะปัญหาการละกิเลสตรงนี้เหมือนกันไหมคะไม่กันคือเป็น เป็นศิลปินเป็นคำแสดงการแสดงแสดงแสดงว่ามันวัตถุที่เราไปไปในความอยากนั้มันอาจจะต่างกันติดเล่าสิดวีนี่ก็เป็นความรักทางน้ำแบบการคือทำว่าการนี่ก็คือความยินดีในรูปถึงนิสิตศึกาแต่วัตถุของการนี้มันอาจจะต่างกันคนชอบเล่าชอบวีนชอบเที่ยวชอบผู้หญิงชอบผู้ชาตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นการรัคทาง ชอบดูหนังฟังเพงนี่ก็เป็นแล้วการติดกาแฟหรือิดน้ำแต่ะไม้น้ำอะไรก็ไม่ใช่ราไม่ใช่ดีบเแต่นัจแต่ัไม่มีความหลักลอย่างกัิดกาแฟนี่มันอาจจะไม่หนักเข้ากับติดเล่าติดเล่าก็จะดูาไม่หนักเข้ากับติดยาแต่นั่นก็ยังคว่าติดนักปฏิบัติเขาจะต้งไม่ติดปากติดน้ำนี่เลย สามารถเดินหนา้าต่อวได้เลยแค่สิทีพว่าเป็นการติดา<ม>่อถ้าอยากขอาเรอีนสักนิดนึงจะได้วันนี้ง้อหนาน ไ, ได้ไม่ได้<ม>ถ้าอยากจะง้องนานได้ให้อุตากันแทน อที่น่าเสื่อมน่าเสื่อมอันนี้จะเป็นเป็นเป็นการแก้ปัญหาที่สุสดถ้าเป็นติด้าไฟอินก็จะติดชาไฟอนมันนั้นไม่ได้ติดอกรก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วมั น, นก็จะเป็นปัญหาของร่างกายเี้ไม่นน่วนที่จะซื้อทาใส่ถุงภายนอกเพื่อ ท, ที่จะมาแก้ปัญหาต้องใช้ธรรมะล้วรู้เหาหามานก็ อย่างที่บอกอาหารก็ได้ถ้าถ้าถูกกระดกตรเาถ้าไม่ถูกกระดกกาไปไปอยู่ที่ในหน้าตัวหน้าเกือยวหรือไปนั่นงที่ปากถือถ้อาหลับกับประดก็หัวขึ้นลงไปอันนี้มันก็จะไม่ร่วงนี่หวัไม่ได่แบบนี้ ถ้า่ต้องแบบว่าติดนะถ้าบุคคลเนี่ยถ้าเกิดเป็นับเลอค er, นท wow. ี่รักแนวรักแบบรักใจรกสังครักธรรักแบักธมรักอรักตลเห็นกันแล้วกระทั่งนักรักที่นั่งเวลานั่งต้องมีมีเบาะมีอะไรที่มีสมองกันต้องนั่งกับพื้นไม่มีอะไรให้ได้ ในในในสติปัานาสื่อถ้าไม่ได้บอกว่าให้เตรียมบอกเตรียมอะไรไว้รลอกรว้นั่งทานาปนะดสิเอไมว่าให้นั่ง่ามคนมาก็หาใบม้องใบไม้หาอะไรมามาวางอให้มันนั่งไม่ไม่มีอย่างขึ้นทางรักษอ แล้วถ้าเกิดว่าเราได้สถานที่นั่งปฏิบัติแบบนั้นเรากลัวความที่กลัวมแมลงกัดกลัวอะไรมากัดอันนี้ม่เป็ น, น, นเป็นวอนเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้บางอย่างเราก็ข้วงการย่านล้วก็จะต้องของึ้นรอหาเรืงมานนั่งอย่างนี้ได้เพราะว่าในเรื่องต้งตนจิตเราอาจจะไม่แขง็งพอที่จะทนกับการรบกวนข อ, ข, อของสิไม่นานี้ได้แต่ถ้าต่อไปสมมติว่าถ้าติดเราแขงาาแล้วมีสมาธิแลเราต้องการที่จะปล่อยวางร่าหงกาย ก็กล่อยให้มันตัดไปมอนี้ก็อีกขั้นัก็จะเป็นขั้นที่ตัดแรงกร่างกายยางไงก็ทนเเข้าไปตาจะปที่อไรตัดาก็ต้องฝึน้ำตัดน้ำกินกำลังตัดตๆมาัดตึงอยู่ดีนตอนที่ร่มงกายก็ทดดองดูที่ว่าทาใจได้ไห้นั่งไปยล้อมมดจลมาตัดหรืออะไรจะมาตัดก่อกันกัดแต่ถ้ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วไม่ควรที่จะต้องให้มันเป็นก ก็อยากไปทำก็ได้ไม่จำเดต้องทำถ้าเราพอมันมีวิธีปล่อยร่างกายแบบวิธีเองไม่ต้องปล่อยแบบให้ให้ให้กลับมากลับลงคุ้กคะแล้วเวลาภาวนา้สัญญาเีมาลบกวนมากลเราใช้ไปนักวิธีเอาไปรักมาพิจารณาสัญญาเนี่ยก็คือพิจารณาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ถ้าอะไรก็ได้จะทำทำให้มันดับได้ใครได้ถ้าเราคิดถึงใครเช่นเราคิดถึงเราห่วงใครอย่างนี้เราก็คิดว่าเขาสักวันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้งตายเราดูแลเก็อย่างไรดีขนาดไห น, นถึงเวลาเขาก็ต้องการหรือเราห่วงเขาเราอดีเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เราก็ไปช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาตอนนี้เราก็ไปทำไงอยู่ดีเราไปช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องปลให้เขาเป็นไปตามเป็นตารตา ม, ตาม เราก็จะทําให้จิตเราตัดสัญญา น, นั้นน่ะตัดเข้ามาในปัจบันได้ถ้าเป็นสัญญาที่เป็นอารมณ์อุปสทภะให้ไม่ทาดใจเกิดนะคะกวโกรธนี่ใช่ก็ให้สอนให้ใช้ใช้เมีดเาวเองก็ให้อภัยมีดยาวเองเดี๋ยวให้คิดว่าเป็นการใช้ใช้มีดเก่าเดี๋ย ว, ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเจ้ามันแกไปแล้วจะโกรธยังไงมันก็ไม่สามารถทําให้แจ้าอะไรนั้นมันกลับตอนเป็นแบบเดิมได้ ถ้ามีแต่เลื่อมือมันได้เสียจะไปคิดถึงนั้นจะใช้อบายคอยทําพุทโธพุทโธไปก็ได้ไม่ให้คิดถึงเรื่องที่ที่ทําให้เราเกิดหรือถ้าเราจะใช้ปัญญาก็ต้องใช้ว่าการจองเรียนจองมำนี่มันไม่ใช่เป็นการการดับเลีนดับการแต่จะยิ่ทําให้มีเรมีการเพิ่มขึ้นอีกคิดแบบนี้มันก็จะตัดได้เมื่อคิดว่าตอนนี้เขาเล็กว่าเรา เพราก็ทําทำเราแต่ถ้าเราจะกลับไปทําเขาแล้วก็พบเราก็เร็วเร็วพ <_ t ot> บกับเขาหรือไม่เร็วมากเร็วกว่าเขาไปที่อีกก็ได้ถ้าเราอยากจะดีเราอยากจะสงบเราอยากจะไ ม, ม่ไม่เป็นยักเป็นมานเราก็ต้องให้อากาศเรื่องเรื่องนัง้นไปมันมีหลายหลการแก้ปัญหามันมีหลายหลายธรรมะด้วยกัน มันจะมีการมร า, า, ราลัทิคิดถึงแฟนเราอย่างนี้ก็ต้องให้ที่จะงานดีอากาศ32ของเขาเน่นดูประท้าที่เวลาที่เขาเป็นเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรอย่างนี้มันก็จะตัดไดถ้ามีความสงสัยเนีพระพุทธทานก็สอนให้เจเยนบทพระพุทธคุณพระธรมคุณพระสงฆ์ทุกทันมีมันมีมันมีตัว ท, ที่จะตั้งใจ ต่อปัญกรรมมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าปัญหาันู่ตรงไ้นก็ต้องเอาเอายาหรือวิธีแก้ที่ถูกกันมาแก้กันนี่เลยครับคุณถามนะ ข้างบ้งางจะบางบางเคยสกดี่ถ้าทาว่นกดดหรจะเป็นทอาี่นันไม่ได้รับปรลยนมันจะเป็นโทษก็เป็นเท่ามันจะติดชมใช่กันต้องถ้าอยากจะแก้ก็คือต้องลงโทษตัวเองคือต้องรักษาสิมีวมเน้อง้าใจไปมันจะได้เข็ดหละ อย่างนั้นเดี๋ยวบอกว่าทำผิดแล้วก็ไม่มีโทษตามมาก็เดี๋ยวก็ทำอีนะอย่างนุตาท่านเคยเล่าตอนที่ท่านบวช ใ, ใหม่ใหม่ท่านบอกว่า<ด>ท่านฉันเสร็จแล้วท่านจะทล้างบาทเช็บาทยังไม่ทันแห้งท่านบอกหิวแล้วอยากจะกินท่านก็เลยบอกว่าถ้าผิวแบบนี้ต้องอดพักสามวันทรมานึงแล้วต่อไปมันจะไม่กล้าหิว <laughs> ถ้าเรามีบทลงโทษแล้วต่อไปมันจะไม่กล้าไม่กล้าทําผิด ถ้าทํำผิดแล้วไม่มีโทษมีกันมีมีเราโทษกรรมเดี๋ยวมันก็ทำอะไรนะมีราโทษกรรมก็มีเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็กลับมาทำอะไรไม่มีที่พึ่งสุดอันี้ก็มีโทษไว้ทํำอะไรทั้งว่าก็มีไว้โทษกรรมลาเพื่อป้องกันไม่ให้ทํำทําผิดอะไรแล้วเราก็คนที่จะลงโทษตัวเราเอง ยังได้อย่ังไงม่กินข้าวเพราะสามวันบางทีมันจะไม่กล้าคนอื่นมองโทษกับตัวเรามองโทษนี่ต่างกันคนอื่นมองโทษเราเราอาจจะเกิดจองหเวรจองกํามกัเจ็ีดเจลียดชางกันได้แต่ถ้าเราลงโทษตัวเราเองแล้วเราจะเราจะไม่เก็ียดตัวเราจะไม่กล้าทําอีก ถ้าคุณอาจารลงก็ไม่กล้าทำอีก้วเ่เนี่ยทาก็ไม่ยอมโทษเราหกครัอย่างมากท่าก็ไม่พูดกับเราใช่ไมะทปล่ <laughs> อยว่ตัวเองกระทำไปแล้วก็ถึงงั้นต้าชิมิเลยเ <laughs> จ้าเข้าใจไะมเขาาลองกลับไปพยายามทำ เ, ยยเยลย พยายามตัดเลือกสิง่งจิตเราต่างๆในรูปแบบต่างๆแล้พยายามทำจิตให้สงบได้ง่ายาเพราะวมันต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะเ้าวหน้าไปถ้ามีขาเดียวมันก็ต้องก็ก็เห็นใจต้องใช้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาสิ่งที่เราตัดก็ต้องตัดสิ่งที่ต้องเจเริญก็ต้องเจเรินเพรามันจะสมดุลกันการตัดมันก็จะทําให้เจเริญสมาธิได้ง่าย มีสมาธิก็ยิ่งทําให้ตัดได้ง่ายขึ้นอย่าไปทําอย่างเดียวทำสมาธิอย่างเดียวใจออกจากสมาธิก็เปิดตู้เย็นหาของจริงมาเท่าทบดูอย่างนีมันก็จะไม่ไปเป็นอย่างนี้นท่าจต้อง ม, มีคําถามครับคือระหว่างวันจะคือบางทีใจมันจะท้องฟุ้ตโถขึ้นเองแบบนี้คือเป็นสติยังอ่อนอยู่ใช่ไหมคะ คือบางที<ม>เราคิดคุ้งไปเรื่ยๆ เ, เรารู้สึกโตมจะมีพุโทโธได้ขึ้นมาแต่ได้ไม่กี่ทรั้งแล้วก็แล้วเราก็ฟุ้งไปใหม่แบบนี่คือยังเป็นสติอ่อนยังไม่มีสติอยู่กับตัวยังไม่ยังไม่มีกําลังมากพอที่จะให้มีอยู่แต่พุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องหรือมีอย่างอื่นสมาสนอนดูดูความคิดของเราว่าเราอยู่กับพุโทโธมากกว่าอยู่กับความคิดอย่างอื่นหรือเปล่าถ้มีพุโทโธมากกว่าแสดงว่ามีสติมากขึ้นนะ ถ้ายัางมีความคิดอยู่กับเรื่องอื่นมากกว่ามีพุโทโธนี่ก็แสดงว่สติเรายัางมีน้อ ย, อยต่อไปถ้ามีสติมากๆนี่ล้วก็จะมีพุโทโธอยู่กับเราเป็นส่วนใหญ่จะคิดเรื่องอืกก่นก็เฉพาะเวลาที่จําเป็นจะต้องคิดหรือว่าไม่คิดอะไรปล่ายให้จิตว่างๆได้ก็แ ส, สดาว่ามีจสติถึงไม่ต้องใช้พุโทโธนะถ้าสติมีกำลังมากพอที่จะหยุดความคิดออกมาได้พอเรารู้ว่าเรากําลังคิดอะไรปั๊บเราก็บอกให้มันหยุดได้ เรากด็ดูอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้แสงว่าสติเราดีการ ม, มีสติ น, นี้ก็หมายความว่าจิตจะตัอ้งอยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตไปทางอาดีตไปทางอนาคตไปที่นั่นไปที่นี่แสด ง, งว่าไม่มีสติแต่ถ้ า, ถาจิตอยู่กับที่นี่เดี่ยวนี้กำลังทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นกำลังคิดอะไรก็คิดกับสิ่งนั้นคิดเท่าที่จำเป็น <c oughs> คิดในเรื่องที่ยังเป็นเรื่องคิดนเรื่องที่ทําอยู่ในเหตุการณ์นั้นท่นจจานกาลังจะจ่ายเงินเอาคิดยูว่าต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่กับความคิดอย่างนั้นยางี้เป็นเรืองมี่มีสิไเ่ใช่จ่ายเงินเราคิดว่าเรื่องเิงเงเนเนเหมือนหน้าผู้พัไงหาวิธีทาให้คนอื่นเขาจ่ายได้ไหมนี่ปกังวลเกี่ยวบ เ, เรื่องาาเงิคก้อเรื่องือนด็กต า, าต่างๆก็ไปละแลาให้อยู่กับ เรื่องที่มันอยู่ในปัจจุบันนั <c oughs> ถ้าจะคิดเนะี่ยถ้าไม่มีความจําเป็นการคิดก็ไม่ต้องคิดเลยให้รู้เฉยๆรู้ว่ากําลังเดินรู้ว่ากําลังยืนรู้ว่ากําลังนั่งรู้ว่ากําลังดนนืนมน้ากําลังรับประทานอาหารให้รู้เท่ า, านั้นแย่นี้ไี่กวามีสติ <c oughs> ถ้ารับประทานอาหารไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นนคนนั้นคนนี้แสดาวน์เร่องมีสติ <c oughs> จิตไม่เงี้ มันล็อกแล้วไปที่นู่นไปที่นี่นมันทำสมาธิก็เพื่อการเจริญสติก็เพื่อจุดความคิดของจิตเพื่อให้จิตนนิ่งไม่จิตมนนิ่งแล้วมันก็จะเป็นสมาธิทั้งวันขอให้มันอยู่กับอารมณ์ที่ทำให้มันส ม, มันก็จะสงบมันก็จะสบาย <c oughs> การเจริญสติเป็นเป็นเรื่องสาคัญมากเป็นางานที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลาเลย เราจนักปฏิบัต you know, ิจริงๆนี้ต้องทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาหลอดเลยทุกิยบัตยิบยอบตรของกลางเคลื่อนไหวนี่ต้มีสติกำามอยูมตลอดเวลาแล้วถ้าทาไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเป็นนิสัยนักจิตมันจะนัไปไหนเวลาจะให้มันอยู่กับเรื่องอะไรมันก็จะให้มันนิ่งมก็จะนิ่งใหมันอยู่กับทุตมันอยู่กับการพิจารณาทำมันก็จะอยู่กับการพิจารณาทำเมื่อคนมันจะแบบพาย่างขึ้นี้ าะคนสมการเจริญสติก็ช่วยในการรักษาสิ่งได้ดีมากเลยนช่ไหมแน่นอนเพราะว่าสิ่ที่เรารักษาเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นการเป็นการไปไปตปแก้าที่ปายเหตุพอสิ่งตัวที่เป็นทําตัวที่เราวเมื่อสิ่งที่แท้จริงก็คือตัวจิตจิตที่มีกิเลสมันก็จะละเมิดสิ่งนี้ได้ แต่ถ้าจิตมันมีสติมีธรรมะคอยคุมอยู่พอมันคิดจะทำติดสิงตอบมันก็หยุดได้นันทงนั่นการจะมีสิงมันมีสิงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การสมาทานอยู่ที่ว่าเรามีสติควบคุมจิตไม่ให้ไปมโนได้หรือไม่มัอยู่ตรงนี้ท่านเล่นคุณสอนว่าท่านสุดท่านรักษาสิงข้อเดียวคือรักษารักษาจิตน่หถ้ารักษาสิงข้อนี้ได้แล้วสิงกี่ข้อก็รักษาได้ สิ่ีสองรอยี่สิบสินงสามร้อยกว่าก็ออกมาจากตัวจิตตัวนี้ตัวเดียวที่ไปละเมิดแล้องทำให้ต้องมามีข้อบัญญัติต่างๆขึ้นมามันออกมาจากตัวจิตตรงนี้ตัวเดียวที่ไม่มีสติคอยควบคุมไม่ให้มันไปกระทำในสิ่งที่มันที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแล้วมันเหมือนล่าเสียงรายละเอียด แล้วยเมันละเอียดขึ้นด้วยนะจ๊ะเอย่างเวลาเราเท้าเดินแล้วมีสติเราก็เห็นมดข้างหน้าก่อนแทนที่เราจะเหยียบมันแล้วก็เ้าเท้าขึ้แต่ก่อนแล้วก็ไม่ได้สนใจใช่เขาเรียกว่าเป็นมีอธิศีเนี่อธิมีสีนั้นแล้วก็มีอธิสีมีจิตแล้วก็มีอธิจิตจิตของปุถุชนเองนะปุถุชนก็เป็นเป็นธรรมดาแบบล้มกคุกคานมีบ้างไม่มีบ้างแต่สิ่ของผู้ที่ปฏิบัตินีจะก็จะเป็นอธิสีนเป็นอธิจิต เกิด ม, มาเห็นว่าจิตก็จะมีสติคอยควบคุมตลลลสิก็จะเป็นอรส์สิตลอดเลยลเป็นสิ่งแบบธรรมชาติไปถ้าจะกิดก็ผิดเฉพาะว่าเอ่อมันมันสุดวิสัยขับรถายแล้วหมาวิ่งมาตัดหน้าอย่างนี้เรานตายอย่างนี้เป็นเรื่องของสุดวิสัยเเรื่องเกิดจากจิตกนะอย่างนี้จะเรียกว่าการเป็นการละเมิดสิ่งก็ไม่ใช่ เพราะไม่นเคยทำด้วยเจตนามันต้องมีออกมาจากจิตต้องมีความตั้งใจอยากจะทำสิ่งนงังง้นเป็นย เ, เรื่องของการละเมิดสิ่งละเมิดโดยที่มันเป็นเป็นเรื่องที่มันมันสดวิสัยอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เป็นทางนี้มิ่อย่างถ้าเราไม่มีเจตนา แ, แล้วเราทําก็ตายเราแผ่ไม่ตายมันก็จะได้หไหมคือเขาตายไปแล้วเขาก็ การตายของเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องยืนเรื่องกรรมของเขาไปส่วนมันจะส่งผลกลัมากลับเราก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องยืนเรื่องกรรมเราถ้าเกิดมาต้องไปตายในแบบเดียวกับที่เราไปทำเข้าตายก็ถึงว่ามันก็เป็นถึงแม้เขาไม่มีเกจิงานมันก็ยังทําให้หลัาตายได้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราถือว่าอยู่ในโลกของทางไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็เกิดได้ถึงแม้จะไม่มีเกจิงานก็ตาม มันมันจําเป็นมันจะไม่มัน ม, มันจะไม่มีเวรมีกรรมต่อกันถ้าไม่มีเจตนาถ้าเช่นสุนัขลิงมาตัดหน้ารถอย่างเงี้ยสุนัขมันก็จะไม่โกรธเราเพราะยราไม่ได้มีเจตนาไปตามไล่ชนมันก็รู้ว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่เราความผิดอยู่ที่มันเหมือนกับเราเดินไปเรา ไปถูกวชชลเขาล็อกแสงสติมองแม่ไม่ล็อกความเราจะไปกดคนที่เข้ามาชนเรามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอนั้นอยู่ที่เจตนากันหนหลักถ้าเป็นเจต น, นาแล้วมันจะเป็นเวรเป็นกรรมหได้ถ้าเราเกลียดคนนี้แล้วเราตั้งใจที่จะให้โทษให้ร้ายกับเขาเนี้ยเขาก็รู้ว่าเราเกลียดเขาเราตั้งใจจะให้โทษให้ร้ายเขาเขาก็ต้องเขาก็ต้องแก้แค้นอยู่ แต่นี้นก็จะเป็นอะเป็นกรรมเหมือนกันท่านรับสรครั้นสีสีนทินนาค่ะเดี๋ยวเวลาไปร้านฟักซื้อร้านกาแฟจะมีขอให้เราหบเกินน้ำตาลที่ชู่หลออะไรถ้าเราหยิบมาเกินจํานวนที่ต้องการใช้จริงมันแม่ทินนาใช่ไหมเจ้าคะแล้วถือเป็นการเบียเดเบียนเขาไหมเจ้าคะมันก็เป็นความโลภเป็นความโลภนั่นอาจจะไม่ผิดจริงก็ได้เพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้เรา กินได้เพิ่มขึ้นอย่างนนเสียงนี้เาก็ต่อโอกาสหลายจะเอาไปถึงเรื่องนี้อาไป mm. เพราะเจตนาขเขาอาจจะน่ า, จ, าจะจะขายของแล้วก็อยากจะทําทางเรื่กันนะอย่างนี้นก็ถ้าเขาต่อโอกาสแล้วก็ไม่ผิด mm. แต่จะผิดกินจะผิดทำคือไม่มากน้อยสแบบังเกตยังมีความโลภมากอีกรวบของสี ก, ก็แล้วหยิออกมาบ้างหางสีของสีก็ไม่รู้จะไปทําอะไรสีก <c oughs> ็ล อ, องไปก่อน แต่ถ้าหยิบของไทยได้ค่ะถ้าหยิบมาใช้งานจริงนะเจ้าคะ่ะก็ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะคะถ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทอดนี่ยากเลยคือเอาทิง<ม>างนานี้หมายถึวงว่าการเอาของไปที่เขาแม่นไม่ยากถ้าเขามีายาณแล้วจะเอาแต่ถ้าเอาไปหมุนเองก็ได้แต่ทอนนี่ยากให้เรา<ม>ใส่คนไทยจะอยู่ในน่านเห็นเขาขายฝรั่งเขาจะมีเครื่องขานั่นอพีก็จะมีตู้น้าเราหยอดเหรียญแล้วเปิดแล้วก็จะหยิบ ถือถ้าเราต้องการฉบับนี้ก็ใส่ไปตามราคาที่เขาให้ในสงคราเราจะใส่ใส่ตามราคาที่ให้สําหรับฉบับนียวแต่หยิไปสี่ห้าฉบับเพราะว่าจะไปฝากเพื่อนคนที่มาจากโรกที่สามที่ยังม่พัฒนามาจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่เคยเพราะไม่เคยเห็นสังคมที่เขาเขาลบให้เกียรติกัน เพราะสังคมที่ก็าตะรลงงั้นเขาจะรังเกียจคนที่ชอบโกงมากมถ้ามีประวัติชอบโกงแล้วจะจะไม่ค่อยมีใครอยากี่ยกับพักคาสมาคมเลย่คะ่ะอย่างตอนที่เวลบฟังผ้าจารย์นะคะสติเราก็เราจะได้ยินหรือว่าได้มีเสียงด้ยค่ะ แล้วก็พระอาจารย์แสดงธรรมเนี่ยเราก็พิจารณาไปด้วยตอนนั้นก็คือสติในการพิจารณาคู่กันไปกับเสียงเข้ามาแล้วกิริยาที่เรานั่งมีความรู้สึกกายและจิตตรงนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องรู้สึกไปด้วยกันใช่ไหมคะถ้าไม่งั้นเราจะเหมือนกับเราจะหลงฟังและพิจารณาไปก่อนค่ะคือถ้าฟังและพิจารณาตามแต่นี้ก็เป็นการฟังที่ถูกต้องแล้วเราต้องการฟังเพื่อเกิดการเข้าใจ แต่เราอาจจะได้สามารถพิจารณาได้ทุกเรื่องทุกราวเพราะบางทีพอเรื่องที่ท่านเสร็จแล้วท่านไปพูดเรื่องอื่นเรายังพิจารณาเรื่องเกา่าไม่อยู่เรื่องเรื่องใหม่ที่ท่านพูดนี้เราก็อาจจะตามไม่ทันเราก็จะได้ดูเรื่องนั้นเหมือนอย่างที่ได้พูดไว้ว่าตอนที่เราฟังธรรมแต่ละครั้งเราอาจจะได้รับเพียงบางส่วนร้อยหนึ่งเราอาจจะได้เพียงสิบหรื อ, อยี่สิบหรืสามสิบขึ้นอยู่กับสติปัญญา ของเราว่าอย่าเร็วทําท่านไม่แล้วขึ้นอยู่กับระดับปัญญาของเราด้วยถ้ามันอยู่ในระดับที่สูงกว่ปัญญาของเราที่จะพิจารณาตามได้เราก็จะไม่เข้าใจแต่อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าการแสดงธรรมนี้แสดงให้กับคนกลุ่มใหญ่ซึ่งมีระดับจิตที่แตกต่างกันระดับระดับสติปัญญาที่แตกต่างกันท่านมักจะแสดงจากขั้นฝั่งที่จะถึงขั้นสูง ขั้ทาง้นขั้นเสียงขั้นพาวนาขึ้นไปแล้วเราอยู่ขั้นไหนเราก็จะเหมือนกับรอรอรอรถอีู่กางสถานีเราอยู่สถานีที่สามเราก็รอรถรอรถมาถึงสถานีที่สามเราก็เระโดดเกาะขึ้นไปพอไปเป็นสถานีที่สี่ถ้าเราไม่มีกําลังเราก็จะอาจจะถูกเขาเสียเพราะติดรถได้แค่สถานีเดียว ก็หยู่ที่ําลังสติปัญญาของเราว่าจะต่างกันได้หรืนไม่การฟังแต่การฟังคาแต่ละครั้งนี้ก็เหมือนกับจะขพี้ยนขึ้นไปในแต่ละขั้นหึกอเพียนขึ้นไปใ น, ในแต่ละก้าวก็ได้ความคำหนึ่งก้าวไปก้าวขึ้นไปได้อก้าวหนึ่องหรือผ่านรั้งก็จะก้าวขึ้นไปได้อีกข้านขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับถ้าผู้แสดงท่านแสดงตา ม, ตา ม, ต, าม ต, ต, ตามขั้นได้แต่ตางขึ้นไปจนถึงศูนย์ แต่บางครั้งท่านอาจจะแสดงแต่ท่านสูงเมื่อท่านตามอย่างเดียวบางทีเราก็อาจจะได้ไประโยชน์แล้วไม่ได้ประโยชนก็ได้ทําไม่ตรงกับเรา<ม>อย่างนั้นบางทีก็ต้องอาศัยการถามปัญหาแทน ว, ว่ า, ท, าที่ท่านพูดมานี้ไม่ไม่ถึงไม่ได้เข้าถึงจุดที่เรากําลังติดอยู่อย่างนี้เราก็ต้องถามปัญหากันที่ท่านแสดงไว้ว่าการการฟังธรรมก็เป็นเนื่นไขอย่าง การสนทนาธรรมก็เป็นมงคลอย่างการสนทนาธรรมก็คือการถามตอบปัญหาหนึ่งคือการสนทนาธรรมแต่ถ้าท่านครูบาอาจารย์ที่เก่งๆนี้ไม่ต้องสนทนาฟังอย่างเดียวก็พอเพราะท่านละเอียดมากท่านแสดงทุกขั้นทุกตอนทุกรูปทุกแบบของปัญหาต่างๆจนกระทั่งเราแทบจะไม่ต้องถามปัญหาเลยอย่างนั้นก็ไม่ต้องถามไม่ต้องสนทนาแต่ถ้าท่านแสดงไม่ละเอียด พองทีก็ต้องหาเวลาหาโอกาสไปไปกราบเยี่ยมไปถามท่านท่านโอกาสถามได้กถาถ้าฟังแล้วยังไม่แก้ปัญหาเขาจับความสงสเยอยู่ก็ลองไปถามท่านดูถ้าท่านตอบได้ก็ดีถ้าท่านตอบไม่ได้ก็ต้องไปหาผู้อื่นที่จะตอบแทนบางอย่างเวลาบางครูบาอาจารย์ท่านท่านถึงแม้ท่านจะบรรลุแต่บางทีท่านก็ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่าง พองเราได้ที่ท่านต้องบอก ว, ว่าต้ไปถามพระองค์เพราะบางทีปัญหานอาจจะเมื้อเกี่ยวกับมรรคเองก็ได้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่ท่านไม่มีประสบการณ์มาก่อนจะ แ, แล้วแต่ปัญหาว่ามันอยู่ในรูปแบบไห น, นแต่ทางที่ดีก็คือพยายามตอบปัญหาของเราก่อนเถอะ มีปัญหาอะไรพยายามคิดถึงธรรมะต่างๆ ท, ที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเอามาแก้ปัญหาของตอบคำถามของเราทั้งได้ถ่อว่ามันที่เป็นปัญหานี้นเป็นเพราะอะไรเพราะเราเราเราไม่เข้าใจหรือว่าเราปฏิบัติไม้พอปฏิบัติไม่ถึงเราไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติก็าถาได้แต่ถ้ามันเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติก็ต้องพยายามปฏิบัติมาก แล้วมันก็จะมันก็จะแก้ปัญหาที่เราสงสัยได้เพราะถึงว่าถ้าเราไปถามท่านนั่นก็จะนั่นก็จะตอบให้เราได้แต่มันก็จะไม่ไม่ได้ทำอะไรให้เรากระจ่างขึ้นเพราะคำตอบ น, นี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัติของเราเราต้องปฏิบัติงั้นวัี้ถ้ามาถามปัญหาบางอย่างที่จะต้องเกิดจากการปฏิบัติก็จะต้องบอกว่ากลับไปปฏิบัติต่อ นะครับคำอใ น, นใจของเราคุณอยากจะเห็นเราเล้ยจงจับจิตเนี้ถ้าต้องไปปฏิบัติตรนั้นต้องทําจิตให้สงบก่อนแล้วก็คอยสังเกตดูใจเวลากับเพื่อนขึ้นมานั่ น, น, นแหละเวลากระเพื่อ น, น, นแสดงว่ามันเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะทําอย่างไรที่จะรับความกับเพื่อนได้นั่นก็เป็นนักขึ้นมา พอหายก็เพื่อนก็เป็นนิโรโรสทธิ์อยู่ในใจเป็นอย่างใ น, ในี้ใจ น, นะนพอสมควรอยางนะคือาแล้วนะเป็นเดือนให้ควอน ยถาวะวหาปูราภริปุริติสาคหลังเอวันเลวะิตุสุนังเตตานัออุปติอิจิตังปัติตังสุหัคทิตเมวะสนิสตุสัพพิโเรนตุอักป่ายันโทสนะระโสยัถะมณิโจติระโอยัตถะสัพพิโยเลวะฉันโต จักรโควินตมาเตภวทวันตรยสุขีติขาโยโวะอภิวาฒนสีนินิจมุขาปจายโนจักรโรธมวาทานติอายโสุังพระ่าง เดี๋ยวพวกหัเสร็จนี่ครับที่ที่กุฏิหลัร็จสอเรื่องนี้แตว่ามั้อนกอตารางครับมีเราคือแม่แก้วเลยครับ อ่านิยมของชัดตองก็ยังซ้อไดเพราเดี๋ยวมันก็ช่วยเหลือให้ดีของก็ตกไ้ที่เหลอก็อื่น อันนี้ก็มาชนมตัวตัวตัว ตัดไปตัดไปทีนที่ไหนตัดไปที่ตัดไปที่ไห น, นตัด่ไหนัดี่ไหนตัดไปท่ได้ไตัดไที่ดไหนตัดไปที่ไหนตัที่ไหหนไปที่ไที่ไปที่ไห ถ้าเช่นมันไม่พอเดี๋ยวพอเราชราใจไหวภาคภูมิัญญาถ้าเราใจมันหลังๆนพอเราเริ่มเป็นหีแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไหเราแลุงออกไปอี่นเดี๋ยวเป็นใจเีย่ว่ามันมันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆยังก็ยังเถือออกไปอยู่ก็าจะกับยจเป็นพิจณาเกี่ยวข้องับผู้ข ก็คิดได้คิดก็ไม่ไดเลยคิดก็ไม่ไมันจะเบาแล้วด้่ตอนที่เราเนี่ย่งองวันนรอย่งไม่ไม่ไม่ภนาแต่นั่งสมาธีอย่างเดียวค่ะแล้วพอวันที่สามที่สี่เราค่อยมังนะถูกไหมคะคือวันแรกๆอ่ะเป็นวามรู้กว่าตัวเองมันฟุ้อยู่ก็เลยก็เอาสมาธีอย่างเดียวได้ได้ก็ได้ถ้ามัน ส, สติสมาธิปัญญาแต่สตินี่ต้องตลอดเวลาแต่ mm hmm. สมาธิสปัญญานี่จะสมสัครคนต่อ mm hmm.